อาจารย์ครับกลับรรมาพการครับผมจเจาริ์พรคุณหมอท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ อ, อาจารย์ครับวันนี้มีคนมารอฟังโอ้ร oh, วมกันพันกว่าคนแล้วครับอาจารย์ครับโอ้โหคตรคงจะเครียดกันมากน่าจะเครียดกันเยอะครับอาจารย์ครับก่อนเข้ารายการผมถามพระอาจารย์วันนี้มีคนไปใส่บาดรเยอะไหมครับอาจารย์ครับวันนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบสองโอ้ี่ ที่ฝากทางบ้านที่ทางบ้านฝากมาสามร้อยสามรอยแปดสิบบ้านแปดสิ 80, บโอ้พระอาจารย์เดินรอบคนบได้บุญไ ม, ไ, ไม่ได้เดิน <c oughs> นั่งนั่งรสบายถ้าเดินก็ไม่ไหวนะโอ้มไม่ไหวแล้วนะครับพระอาจารย์ <c oughs> เพราะว่าใช้เวลานานขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับใช่แต่วันนี้ไม่ได้สังเกตเวลาแต่อย่างน้อยก็ชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงถ้าคนมากนาันนี้ กาจารย์ครับการสาธุครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับอาจารย์วันนี้แล้วผมตั้งหัวเป็นการจัดรายการครั้งที่หนึ่ง้อยสี่สิแปดแล้วนะครับอาจารย์ครับผมตั้งหัวพ่อว่าทําอย่างไรให้หายเครียดครับเพราะว่าปัจจุบันมีคนเครียดกันเยอะทุกเรื่องเลยครับการงานการกันสุขภาพสิ่งแวดล้อมครับอาจารย์ครับขอความเมตตาคับผมคําว่าเครียดก็คือความทุกข์ทางศาสนาพุทธเราเรียกว่าความเครียดก็คือความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดจากความอยาก ตามหลักอริยสัจสี่อยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยากให้าลาภยศสรรเสริญสุขนั้นจเจริญอย่างเดียวซึ่งมันปนขัดหลักความเป็นจริงเพราะราลาภยศสรรเสริญสุคนี้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยมมีขึ้นก็มีลงเป็นธรรมดา แล้วก็ไปนั น, นาตาเราไม่สามารถไปควบคุมมังครับไปสั่งให้มันขึ้นอย่างเดียวได้เมืนใครสั่งให้ตลาดหุ้นขึ้นอย่างเดียวได้มั้เนี่ยไม่ได้ <laughs> ใช่ไหม <c oughs> ทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราไม่ฉลาดเราไปคิดว่าเราสามารถพึ่งสิ่งเหล่านี้ได้คิดว่าสิ่งอันนี้จะไม่เสื่อมมีแต่เจริญหรืออย่างไรก็ อยู่กับเราไปเรืไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอเจอเหตุการณ์ที่มันเกิดการเสือ่อมการสิ้นสุดเกิดการสิ้นสุดลงมันก็เลยทําให้เครียดกันนั้นเองถ้าไม่อยากเครียดก็อย่าไปพึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งหาหาที่พึ่งแบบใหม่หาที่พึ่งที่เราควบคุมได้ ก็คือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบถ้าเราทําใจให้สงบได้เราจะมีความสุขทั้งที่เราอาจจะไม่มีเงินมีทองเป็นขอทานนไม่มียศไม่มีตําแหน่งไม่มีใครสันระเสริญไม่แต่คนดูถูกดูแพงว่าเราเป็นคนขอทานเป็นคนยากจนแต่ใจเรามีความสุข นี่แหะคือม า, าเศรษยีที่แท้จริงคือคนที่มีความสงบเป็นที่อเป็นที่ให้ความสุขกับตนพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนจากการเป็นกษัตริย์มาเป็นคนขอทานม า, าเสถียรหลายคนก็ออกบวชพ อ, อบวชแล้วก็ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้เพราะว่าเขาเห็นด้วยปัญญาว่า ลาบยศเสริญสุขทำตาหุบจะบกยิ่งกายนี้เป็นของที่ไม่แน่นอนเราไม่สามารถที่จะเพื่งเขาได้ตลอดเวลาช่วงที่เขาอยู่ช่วงที่เขาเจริญก็ให้ความสุขกับเราแต่ช่วงที่เขาเสื่อมหรือช่วงที่เขาจากมาไปเนีช่วงนั้นเขาก็จะให้ความทุกข์สาเข้าความเศร้ากับเราความเครียดกับเราดังั้นทางศาสนาเนี่ก็สึงสอนได้ ชาวพุทธเราถ้าไม่อยากจะทุกข์ไมอยากจะเครียดก็อยากไปยุ่งกับลาภยศสนเสริญสุขอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินทองอยู่แบบไม่ต้องมียศไม่มีตําแหน่งอยู่แบบไม่มีไอ้ไกรมาสนเสริญยกย่องเยินยออยู่แบบไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาเศสก็ต้องอยู่แบบนักบวชนะอยู่แบบนักบวชอยู่แบบนักบวแล้วก็พยายามปฏิบัติสติสมาธิ ให้เกิดขึ้นมาสร้างสติสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นมาเพราะถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิจิตจะไม่สงบจิตจะไม่มีความสุขแต่ถ้ามีสติคอยควบคุม ค, ความคิดคอยหยุดความคิดจิตก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเพราเป็นสมาธิแล้วจิตก็จะมีความสุขก็ไม่ต้องไปหาความสุขอย่างล่ามนสันสสารสุขอีกต่อไปอันนี้ก็พูดแบบคร่าว วิธีที่เราจะไม่เครียดคือพูดถึงแก่นมันเลยดีกว่าแก่นของมันก็อยู่ที่เราไปอยากในสิ่งที่มันจะต้องเสือ่อมแต่เราไม่อยากให้มันไม่เสือ่อมอยากให้รวยไปตลาดไม่อยากยากจนพอเกิดการสิ้นเมื่อป่าตัวขึ้นมาก็เครียดขึ้นมาอยากให้คนยกย่องนับถือเพอเขาไม่ยกย่องนับถือเราก็เสียใจ อยากได้ยศได้ตาแหน่งสูงสูงพอไม่ได้ก็เสียใจยหรือเวลามันหมดอายุเช่นะอายุกเกษอายุหกสิบปีเขาอายุก็ต้องพ้นจากตาแหน่งไปมันก็ทำให้เศร้าได้อยากหาความสุขจากเว็บเสียงกิ่นลดในรูปแบบต่างๆเวลาหาได้ก็มีความสุขเวลาที่ไม่สามารถหาได้ก็จะมีความเศร้า อันนี้เนแะี่ยสาเหตุของความเครียดก็คือไปหาความสุขจากสิ่งที่มันไม่เที่ยงไม่แน่นอนให้ไปหาความสุขจากสิ่งที่มันเที่ยงที่แน่นอนทีกแบบที่อยู่ในตัวเรานี่แหละอยู่ในใจของเราเองเพื่อความสงบนี่นเองที่พระเจ้าบอกว่าแหงธรรมชน ะ, ล, ะลดทั้งปวกก็คือลดของความสงบนัตถิสันติพลังสุขขงังสุขอื่นที่เหนยอกว่าความสงบไม่มี หายได้ความสงบแล้วไม่ต้องการอะไรต่อไปอยู่แบบขอทานได้พระพุทธเจ้านี่อยู่แบบขอทานต้งสี่สิบห้าปีอ่ะสี่บห้าปีบวกหกห้าสิบเ็ดปีบวกเป็นผ้าหกปีอันนั้ตัดสูญก็แสดงธรรมโปรดญาติโยมอีกสี่สิ้าปีก็ไม่ได้กลับไปอยู่ในวังไม่ได้มีอะไรก็ยังมีอัฐรบริขารอยู่แค่นั้นที่เป็นสมบัติมีบาทมมจิวอนอ มีใบมิด ท, ที่โกลนวดโกลผมที่กรองน้ําเป็นต้นก็มีแค่นี้ก็อยู่ได้นะที่อยู่อาศัยก็อยู่ได้ทุกแข่งอยู่ตามคนไม้ก็ได้อยู่ตามเนื่อผ้าก็ได้อยู่ตามเรน อ, อนร่างก็ได้ถ้ามีใครศรัทธาสร้างที่อยู่อาศัยให้สร้างกุฏิสร้างวัดไทยท่านก็ไปอยู่ให้แต่ ถ, ถ้าไม่เดือดร้อนท่านอยู่ได้นะันทุกรูปแบบ เพรใจของท่านมีความสุขความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายเลยไม่มีผลต่อความสุขของใจความสุขของใจมันมีพลังมากกว่ากำลังมากกว่าทำให้ความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายนี้ไม่มีผลอะไรต่อความสุขไม่สามารถที่จะทำให้ความสุขของใจนี้ลดหายไปได้เลยใจก็เลยไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ยากลำบากของร่างกาย แม้ถ้าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปก็ไม่ทุกอย่างไปเดือดไม่ก็ไม่ไม่ทุกไม่เครียดกันเพราะใจนั้นไม่ต้องใช้ร่างกายไม่อาศัยร่างกายไม่ต้องเพิ่มร่างกายท่านก็เลยไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพร้อมที่ยให้ร่างกายแก่เจ็บตายเพราะรู้ว่าห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเนี่แหละก็คือวิธีแก้ความเครียดะ ถ้ายัางต้องพิ่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีขนาดไหน mm hmm. ก็ยังต้องกังวลกับเรื่องเงินหุ้นหุ้นรดขีดหนึ่งก็บองดูแล้วพอเหลือเท่าไหร่ะงินเราเหลือหลกเวีลดสักสักสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็เริ่ม mm hmm. คิดแล้วเงินเราหดไปเท่าไหร่นะ mm hmm. มันมีได้ให้เครียดตลอดเวลาถ้าไปยุ่งตอนเรื่องราบยะเสร็จแล้วเสร็จสุด mm hmm. อาจารย์ครับอย่างนั้นที่คนเขาชอบพูดกันว่าเครียดเพราะคนนู้นคนนี้เครียดเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากเรื่องพวกภายนอกร่างกายเลยใช่ไหมครับเกิดขึ้นในใจ เ, เกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เลยเครียดขึ้นมาอยากให้เขารักเราแล้วเขาไม่รักเราเขาไปชอบคนอื่นอย่างนี้ก็ทําให้เราเครียดนะบางคนถึงกับฆ่าตัวตายเสียใจออ แล้วอย่างพวกเราที่ฟังกันอยู่นี้เราจะเริ่มฝึกยังไงเพื่อให้ได้ผลอย่างที่อาจารย์เล่านะครับก็ต้องมีวันปฏิบัติอย่างวันนี้วันพระวันนี้กเ็เกษเรื่องวันทระไอ้ฟังมาพระเจ้าต้องการให้เราหยุดแสวงหาลาบยุติธรรเสริญสุขหนึ่งวันอาทิตย์หนึ่งขอให้หยุดสักหนึ่งวันแล้วมาหาหาความสงบแทนอย่างคุณหมอก็ขึ้นไปเปีกไม้เวกบนเขาไป้เจอศิลป์แปดศิลปก็ลาบการหาความสุขทางตาหูหจมูกนิ้นกาย เราก็กินอาหารแค่มื้อเดียวหรือไม่กินอะไรก็ไดนะ้เพื่อที่จะได้ไม่งม่งนอนแล้วมันจะกระตุ้นให้เรามีความขยันที่จะปฏิบัติเนั้นสตินั่งสมาธิต้องมีเวลาต้องมีเวลาปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องถึงจะได้ผลถ้านั่งเวลาครึ่งชั่วโมงครั้งสองครั้งนี้ทําไปทั้งชาติก็ไม่ได้ผลอะไรเลยมันนี้ก็เป็นน้ําค้างไม่ใช่เป็นน้ําฝน น้ำฝนนี้มันต้องให้มันตกเป็นหาใหญ่ลงมาเลยประชานกำหนดวันพระขึ้นมาเนี่ยวันนี้วันพระเพื่อให้ชาวพุทธเราหยุดการหาความสุขหยุดการเล่งดูร่างกายหนึ่งวันทั้งเงินเพื่อมาเล่นสร้างกายหนวันแล้วเวลานั้นมาดูแลจิตใจบ้างว่ามาหาความสงบที่กิดความสุขที่เกิดจากความสมบางบแทนหนึ่งวันถ้ามีการปฏิบัติเรื่อยๆมันก็จะได้ผลตามลำดับไปเอง เอาลองหำดูเสร็จทุกวันพราคนหออย่าไปไหนมีที่พักปฏิบัติแล้วขอเก็บตัวเปกวิเวกคนเดียวอยู่ที่ปฏิบัติหนึ่งวันเอาแต่จะเจรียนจงกรมนั่งสมาธิคงเดียวเอาให้มันอยู่ม้นให้ได้ความบิดเนี่ยถ้ามันหยุดมันไม่ได้ทำไม น, นั่งสมาธิเราต้อเพราะเราไม่เอาจริงเอาจังกับมันนะเรานั่งปุ๊บเดียวพอเจ็บปรนะมาณไหนรู้สึกก็อัดไหนนะยอมแพ้แล้วเลิก มันหยุนาดก็ต้องสู้ต่อไปมันก็ต้องก็พุทโธพุทโธบริกรรมของเราไปอย่าสู้กับมันไปเดี๋ยวพอถึงถึงขีดเองแล้วความอยากมันจะหยุดเองหยุดเลิกความอยากอยากจะเลิกอยากจะเลิกภาวนามันจะหยุดเองพอความอยากเลิกภาวนาหยุดปั้มมันก็นั่งต่อไปได้อย่างสบายเย็นสบายไม่เครียดด้วยมันเครียดช่วงที่เกิดความอยากจะเลิกอะพอนั่งไปแล้วถึงขีดมันอยากจะเลิกถ้าเราผ่านขีดนั้นไปได้ มันก็จะสงบแต่เราต้องสู้มันด้วยปัญญาด้วยสติพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอะไรกรรมไปหรือจะสวดบทยาวไหนก็ได้อันนี้จำทุกขาาั้งนะตาหรือจะใช้ท่าอาการสามสิบสองผมกนเลื่นอะไรไปก็ได้คือให้ใจมันมีอะไรทำนะให้มันนั่งอยู่ให้มันอยู่เฉยๆอย่ให้มันลุกเดี๋ยวความอยากที่มันอยาจะเริกมันก็จะหายไปพอหายไปใจก็จะเบาเย็นสบาย แม้ยังไม่ได้รวมรวมเต็มที่แต่ความเครียดมันหายไปแล้วความเครียดที่เกิดจากความอยากมันหายไปทําให้นั่งต่อไปได้แล้วจะเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสงบความสุขที่ความสงบนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นอย่างไรเวลาทุกครั้งที่เราชนะความอยากได้แต่ละครั้งจิตจะสงบลงเราจะรู้สึกเบาใจสบายใจอิ่มใจขึ้นมา นั้งที่ไม่ได้ทําอะไรเพียงแต่สู้กับความอยากจนกระทั่งความอยากมันยอมถอยไปเองแต่ถ้าเรายอมแพ้มันทับตามความอยากเราก็มันก็ติดอยู่ตรงนั้นทุกครั้งมันนั่งทีไรก็จะเจอด่านนี้ทุกครั้งเลยเจ็บทุกครั้งก็ยุติชาวพุทเราต้องมีวันพระวันปฏิบัติธรรมวันปฏิวันปฏิบัติกิตให้กับจิตใจวันสร้างความสุขอีกรูปแบบนึ่ง เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบเนต้องทําแบบต่อ น, นี่จะตั้งแต่1วันงันหนึ่งคืนตั้งแต่เช้าขึ้นมาเมือตาขึ้นมาลแล้วก็ปฏิบัติเดินโยโกอบนั่งสมาธิทําอะไรก็มีสติคอยควบคุมใจอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครจะได้ไม่ต้องใช้ความคิดทําอะไรก็ไม่มีอะไรให้ทํามากก็เพ็งหน้างานงานเล็งดูแลความสานงกายเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเอง แล้วก็อาจจะขวาถทูกที่ภาคภาัยว่าทำมาจบกปกมันไม่เรียบร้อยตอนนั้นก็เอามาเดินโยกมมนั่งสมาธิสลับกันไปรับประกันได้ถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอด24 20ชั่วโมงนอน4ชั่วโมงเนี่ยมันต้องเห็นผลมันต้องได้ผลนะเห็นได้ว่า เ, เราอินทรีย์เราจะวิริยะความเพียรเราจะมีพอที่จะพักดานให้มันปฏิบัติได้ไมใช่ไีม พรคุณพระอาจารย์ครับผมจะพยายามต่อไปครับอาจารย์ครับเดี๋ยวขอการถามคําถามจากเพื่อนบ้างนะครับผมจากคุณแม่นครับผู้ที่ครองเรือนเป็นสามีภรรยากินอยู่ร่วมกันสามารถจะบรรลุโสดาบันได้หรือไม่ครับและหากโสดาบันทําผิดศีลระหว่างครองเรือนจะสามารถเสื่อมลงจากโสดาบันเป็นคนธรรมดาได้อีกหรือไม่ครับคือการจะเป็นพระโสดาบันไดเนี่ย มันต้องมีภูมิเก่ามาแล้วถ้าเราเป็นคนที่มีครอบครัวภูมิเก่าคือเราต้องเคยมีสมาธิเคยมีอยู่เขฆาติดมาแล้วแล้วพอเราได้ฟังธรรมเรื่องขันห้าว่ามันไม่เที่ยงว่ามันเป็นอนิจจ์ทุกข์ทุกขหน้าตาคือร่างกายมันต้องแก่เจ็บตายแล้วก็ยอมรับความจริงอันนี้ได้ ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายพร้อมที่จะแก่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้จะหยุดความอยากตัว น, นี้ได้มันต้องมีอุเบกขาต้องมีสมาธิมาก่อนถ้าไม่มีก็ไม่มีวันที่จะสามารถบรรลุเป็นพระ ส, สวัสดิบาได้ถ้าเป็นบรรลุเป็นพระสวสดาบันแ ล, แล้วก็จะไม่เสื่อมไปเป็นปุถุชนอีก จางสีนนี่จะจะไม่ทําผิดศีลโดยเด็ดขาดเพราะรู้ว่าการทําผิดศีนนี่เป็นการขาดทุนไม่ได้เป็นการกําไรคนเราเวลาทําผิดทําบาปเพราะคิด่จะได้ได้เุินได้ในแต่ความจรงสิ่งที่ได้มากับสิ่งที่จะต้องจ่ายไปมันไม่คุ้มกันโทษที่จะตามมามันไม่คุ้มกันมันจะทําให้ไปเกิดในายบาบัยมันก็จะไม่เอาดีกว่า ยอมตายดีกว่ายอมมดดีกว่ายังไม่ทำผิดศีลโดยเด็ดขาดถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเพราะท่านเห็นกฎแห่งกรรมชัดเจนทำบาปก็ต้องไปอาบายถ้าไม่อยากจะไปอาบายก็อย่าไปทำบาปจากคุณติ๊กครับสูญเสียคนรักต้องทำอย่างไรให้ไม่ทุกข์ครับก็ยอมรับความจริงเเข้าไปแล้ว ก็ไม่กลับมาแล้วแค่นี้เองอย่าไปอยากให้มันกลับมามันก็จบมันก็ é. มันก็ไม่ทุกขนะ์แล้วที่ทุกข์เพราะไม่อยากให้เขากลับมาอยากให้าอยู่กับเราต่อไปเท่านั้นเองนั่นก็ ค, คือความอยากความอยากที่ทําให้เราทุกข์ทุกข์เพราะว่าอยากจะได้ Man. สิ่งที่สูญเสียไปกลับมาคนที่สิน้นรูปาตัวที่ทุกข์เพราะอยากจะได้ทรัพย์ที่เคยมีกลับมาอยากจะอยู่แบบเดิมไงอยากจะอยู่แบบเศรษฐีแต่ตอนนี้มันอยู่ไม่ได้นะมันหมดแล้วเงินหมดแล้ว ต้องอยู่แบบขอทานแล้วถ้าอยอมรับว่าตอนนี้อยู่แบบขอทานได้ก็ไม่ทุกข์แต่มันทําใจยากเพราะใจนี่มันเหมือนเรือลบทเรื อ, เ ร, อเรือใหญ่จะเวลาจะกลับลําแต่ละครั้งมันไม่ใช่ง่ายจะอยู่เทินดีมันมันยากถ้าเราไม่ฝึกไม่ซ้อมไม่ก่อนถ้าเราฝึกซ้อมไม้ก่อนนะั่นถามเรื่ต้นว่าคนแักเรานี้อาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้เวลาใดก็ได้ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆ เรเกิดขึ้นเราก็พร้อมพอที่จะทําทใจได้ง่ายกว่าคุณดําครับมนุษย์ตายแล้วมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งถ้าเศษดินไปเล็บหากชาตินี้ไม่บรรลุสดาบันได้จะทําอย่างไรให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกครับเออได้กลับมาเกิดแน่นะเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ท่านเองเพราะว่าช่วงที่ตายไปนั้นมันขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทําไว้ว่า มีมากมีน้อยเราก็ต้องไปใช้ใช้บาปใช้บุญก่อนจนกว่าระดับของบุญและบาปที่เราทำไว้นี่มันมีเท่ากันคือบาปก็ไม่มากกว่าบุญบุญก็ไม่มากกว่าบาปอันนั้นเราก็มีโอกาสที่จะมาเข้าคิวรอรับร่างกายนีย่จะได้ร่างกายเมื่อไหร่ก็อยู่ที่คิวมันยาวมแล้วร่างกายที่เขาให้ให้ที่เขาผลิตกันให้มีมากมีน้อย ในแต่ละยุคในแต่สมัยคนอาจจะมีลูกมากบา ง, งยุคก็มีลูกน้อยถ้ามีลูกน้อยก็ต้องรอไปก่อนเป็นดวงวิญญาณไปก่อนจากคุณสกายครับการนั่งสมาธิมากๆทําให้เราจิตออกจากล่างจริงไหมครับจิตไม่ได้อยู่ในร่างในเรื่งสิ่งแรกต้องเข้าใจคือจิตไม่ได้อยู่ในล่า ง, ง, างา จ, จิ ต, จตเหมือนกับอยู่อในโลกหนึ่งอยู่บนโลกพระจันท แล้วร่างกายเรานี้อยู่ในโลกโลกที่เราอยู่นี้แล้วจิตใช้ใช้การสื่อสารด้วยการส่งกระแสที่เรียกว่าวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกเลี้ยกายแล้วก็สามารถที่จะรับรูปเสียงกิรทิที่ที่ตา ท, ที่ร่างกายรับมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ส่งส่งไปที่ตัวจิตที่อยู่บนโลกประจันจิตก็รับรู้ว่ามีรูปมีเสียงมีกิมีรชิชนิดนั้นชนิดนี้แล้วก็สั่งให้ร่างกาย ทำตามความสั่งถ้าชอบรูปนี้ก็สั่งให้ไปเอามาถ้าไม่ชอบรูปนี้ก็สั่งให้จัดการเก็บโยนรูปนี้ทิ้งไปเปยนอย่าไปอย่าไปมีมันเป็นต้นแต่จิตกรับร่างกายไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่คนละโลกจิตอยู่ในโลกทิพย์เนี่ยร่างกายอยู่ในโลกกาตุใช้การเชื่อมต่อด้วยวิญญาณที่เป็นความสามารถของจิต เกิดมีวิญญาณอยู่ห้าสายด้วยกันที่ส่งมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้งกายเมันเหมือนปลั๊กไฟมันเหมือนสายไฟ ท, ที่ที่เสียบเข้าไปนในปลั๊กไฟกับกับพัดลมอย่างเนี้ยเป็นสายที่เชื่อมให้มีไฟฟ้าเข้ามาสู่พัดลมได้วิญญาณนี้ก็เป็นสายที่เชื่อมรูปเสียงกลิ่นรสให้เข้ามาสู่ที่ใจได้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้งกายถ้าไม่มีไม่มีวิญญาณมาเสียบ ที่ตาจะมอนิ่กายใจก็จะไม่ได้รับรู้พวกรูปเสีงยงเกลื่อนที่ตาเห็นได้ได้สัมผัสแต่พอมีพอมันได้เกิดอยช่วงที่ได้เกิดวิญญาณนี่ก็จะได้มาเกาะร่างกายแล้วก็ก็สามารถรับรูปเสีงยงเกลื่อนจากทางร่างกายได้ที่เวลาทําสมาธิเราก็ใช้สติดึงกระแสของรูปเสียงดึงดึงกระแสของวิญญาณนี้กลับเข้าไปในจิตถอดลัออกชั่วคราว เพาะอนถอนการรับรู้รูปเสียงกล็ดลดผลสภาพชั่วข่าวตันั้นเองไม่ได้ไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่เคยไม่ไม่ได้อยู่ในร่างกายแารนั่งสมาธิก็ไม่ได้ออกจากร่างกายเพียงแต่ถอนถอนปั๊ที่มาเสียบกับตาหูจมูกยิ้มกายชั่วข่าวหรือปิดการทํางานของของวิญญาณชั่วข่าวเวลาเราใช้สติพุโทโธพุโทโธเราก็จะไม่ไปคิดถึ ง, งรูปเสียงกล็ดลดสัญญาสังขารก็ไม่ไปคิดถึงรูปเสียงเกล็ดลด คิดอยู่ครัพุโทโธพุโทโธไปมันก็เลยนําก็หายไปจากใจไปชั่วคราวคุณรักครับถ้าอยากไปบวชแต่พ่อแม่ไม่ค่อยอยากให้ไปบวชทําอย่างไรให้พ่อแม่อนุ ญ, ญาตครับก็อยู่ที่ว่าเราอยากบวชมากน้อยเท่าไหน่ทำไมพุทธการมีลูกเศรษฐีคนหนึงอยากจะบวชแต่พ่อแ ม, มอ่มีลูกชายคนเดียวก็ไม่อยากจะให้บวชมีลูกคนเดียวเพราะไม่รู้จะเอามรนดก สมบัติจะยกให้ใครอยากจะให้ลูกอยู่รับมาดกแต่ลูกก็อยากจะบวชมื่อขอนิญาตมาให้บวชก็เลยอดข้าประท้วงอดไปจนกระทั่งพ่อแม่ต้องยอมยอมให้บวชเพราะเอาจริงยอมตายถ้าไม่ได้บวชก็ทําแม่ในที่สุดก็ต้องยอมทําไมเวลานั่งสมาธิสัปพักจะรู้สึกกรอนวูบลงไปตามขาและบางครั้งจิตวูบโลแล้วสะดุ้งครับ ามันมีอาการาต่างๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากเปการต่อสู้ระหว่างกิเลส ก, กับสติสติก็พยายจะทําให้จิตสงบกิเลสมันก็พยายามต่อสู้มันกอาจจะมาสร้างอาการาต่างๆให้ให้เราได้สัมผัสล้ำรู้ทั้งทางกายแล้วบางทีทางจิตใจทางจิตใจบางทีก็มีอะไรปรากฏขึ้นมามาหลอกมาล่อเอาอยู่ <c oughs> <c oughs> ก็อย่าไปสนใจว่ามันถือว่ามันเป็นเรื่อง ผลช่างเคียงนี้เกิดขึ้นแต่ไม่มีพิษมีภัยต่อร่างกายและจิตใจแต่อย่างใดให้เรามีสติสู้กับสู้กับมันต่อไปให้มีสติอยู่กับพุโทโธพุธโทโธหรือมีสติอยู่กับลมหายใจไปจนกว่าใจจะสงบเล่าการกต่างๆมันก็จะหายไปหมดเลยคุณไลโคพีนครับควรใช้หลักธรรมอะไรบ้างครับเพื่อให้ทำสิ่งที่ยากมากๆให้ประสบความสาเร็จครับก็ทำบ่อยๆไง เราต้องยอมแล้วว่าเริ่มต้นมันจะยากเพราะเราไม่เคยทํามาก่อนแต่เราฝึกทํำไปเรื่อยๆมันก็จะง่ายเข้าง่ายเข้ามันก็พิมพ์ดีใช่ตอนต้นเราเวลาหัดพิมพ์ดีนี่มันยากเลยยากมันเจ้ามโนไหนไปวางไว้ตรงไหนตัวอักษรอยู่ตรงไหนแต่เราก็ทําตามที่บทบทสอนพิมพ์ดีให้ทำให้จิ้มนี้นู่นี้ไปเรื่อยๆจิ้มนี้นี้ไปบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เริ่มเกิดความเคยชินขึ้นมา จากการความยากมันกายเป็นความง่ายไปต่อไปก็ทําแบบอัตโนมัติหรือเรื่องกับการขับรถสมัยก่อนเอาใช้รถที่ต้องมีเหยียบคันต้องเปลี่ยนเกียร์มันยากกว่าสมัยนี้สมัยนี้ขับรถเพียงเกียร์ Auto, ออโต้เข้าเกียร์ก็เหยียบคันเรองไดนะ้แต่สมัยก่อนต้องรู้จักเปลี่ยนเกียร์ต้องรู้จักเหยียบคันปล่อยคันใหม่ๆบางทีขับรถรถก็จะกระตุกแล้วก็ดับแต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ชานาญ นั้นพยายามมีความอดทนมีความเพียรมีความขยันที่จะฝึกซ้อมไปเรื่อยๆแล้วของยากมันก็จะกลายเป็นของง่ายไปคุณกมลทิทครับอายุมากแล้วเวลานั่งสมาธิจิตไม่นิ่งเลยฟุ้งซ่านตลอดต้องทำอย่างไงครับมันไม่ได้อยู่ที่อายุหรอกไม่ว่าแม้แต่คนหนุ่มคนสาวมันก็ฟุ้งซ่านได้ที่มันฟุ้งซ่านเพราะมันไม่มีสติไม่เคยฝึกสติมาก่อนม่นมีสติน้อย ถ้าอยากจะไม่ให้มันฟุ้งซ่าเราต้องคอยฝึกสติก่อนที่เรามานั่งฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลายพุทธเจ้าสอนพอลืมตาขึ้นมากับพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องราวต่างๆคิดถ้าที่จําเป็นถ้ามีเรื่องที่จาเป็นจะต้องคิดก็คิดได้แต่ถ้าไม่มีความจาเป็นก็หยุดคิ ด, ค ด, ค ด, ค ด, คดใช้พุโทโธพุโทโธคอยหยุดมันหรือถ้าไม่ใช้พุโทโธก็ให้เราคอยเฝ้าคอยเฝ้าดูการกระทําของร่างกายอยู่ตลอดเวลา ร่างกายกําลังทําอะไรก็เฝ้าดูอยู่กับมันทําทําไปกับมันอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันขณะที่ร่างกายทํานั่นทำนี่นี่ยนี่คือการฝึกสติเพื่อคอยควบคุมหรือสกัดความคิดให้มันคิดมากถ้าเราทำนี้แล้วเวลานั่งมันก็จะไม่ฟุง้งคําถามต่อกันเลยครับอาจารย์จะดับความคิดต้องทําอย่างไรครับก็แบบเดียวกันอะ่ะก็ต้องมีสติ มีสติคอยกากับคอยควบคุมให้มันอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับคำบาลีคำพุทโธคําเดียวก็ได้หรืออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้แล้วพอเวลามาหนั่งก็นั่งนั่งเฉยๆถ้าใช้คําบาลีคำพุโทโธก็ใช้บาลีคำพุโทโธต่อไปเดี๋ยวจิตมันก็จะหยุดคิดเองเดงจิตมันก็จะเด้งจะมันจะตกจากที่สูงลงมาแล้วมันก็จะนิ่งสงบสงบคนใช้พุโทโธ แต่ละคนใช้ถ้าไม่ใช้พุทโธใช้การดนลมหายใจก็มันก็จะสงบเป็นขั้นขั้นมันเป็นขั้นบันไดค่อยๆค่อยๆสงบทีละนิดที่ะหนอนอกไปถ้าถ้าใจไม่ไม่ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาอย่างต่อเ น, นื่องคุณพัฒรนุชครับทำอย่างไรคนตายจะได้รับส่วนบุญมากใส่บาตหรือจเจริญภาวนาครับ อ, อ๋อส่วนใหญ่ท่านสอนให้ใช้การใส่บาตรทำบุญทำ ท, ทานเนื่องจากว่าการภาวนาของเรานี้ยังยังไม่ไม่มีผลยังไม่เกิดผลนั่นเองมันผลที่จากการภาวนาที่มันยากครับแม้แต่ครูบาอาจารย์ท่านบวชเป็นสิบสิบปีบางทีท่านยังไม่ได้ผลจากการภาวนาเลยจิตยังไม่รวมทัศน์แล้วเราอยู่ดีๆีพอคนตายไปอยากจะมาอุทิศบุญแท้ เขาด้วยการมานั่งสมาธิมันนั่งไม่ได้จิตไม่สงบเอาเอาความสมุขจากความสงบจากการทําบุญทําทานดีกว่าเราสามารถอุดทิ้งไปได้ถึงแม้จะน้อยแต่มันก็ดีกว่าดีกว่าไม่มีเลยคุณอารยาครับถ้าเราป่วยแล้วเราไม่รักษาเป็นการปล่อยวางถือว่าถือว่าเราถึงธรรมะขั้นไหนครับก็ เราไม่กลัวตายเราไม่กลัวเจ็บก็ปล่อยมันไปมันจะเจ็บก็เจ็บมันจะตายก็ตายก็เป็นขั้นพระโสดาบันอย่างอต่ำกับขั้นพระโสดาบันพระโสดาบันจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้พร้อมที่จะตายทุกเวลานาทีคุณศักดิ์ครับการเลี้ยนถามเริ่มต้นภาวนาต้องทําอย่างไรครับก็ต้องฝึกสติก่อนอย่างที่เมื่อกี้ได้ตอบไปแล้ว มันฝึกสติทั้งวันคอยควบคุมความคิดด้วยการมีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธแลืวอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายการกระทําต่างๆของร่างกายให้เฝ้าอยู่กับสิ่งอารมณ์เหล่านี้แล้วใจก็จะไม่ไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วพอเรามีเวลาว่างก็นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมไปนึกบริกรรมพุทโธไปไม่ต้องทําทั้งสองอย่างควบควบูคบ่คกันก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งเลยก็ดี ก็นา่าจะดีกว่าไม enrolled, ่ย right, ุ่งยากพุทโธก็พุทโธไปเลยถ้าดูลมก็ดูลมไปเลยคุณบ้านชวนชมครับ <c> น <oughs> ั <wow> ่งสมาธิมาปีกว่าจิตนิ่งมากไม่คิดเฉยมากครับก็ดีก็ดีพยายามทาบ่อยๆทำให้มันนิ่งทํามันเฉยทำให้มันไม่เดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งรอบตัวเราไม่วุ่นวายกับรูปเสียงจิตรสที่เราไปสัมผัสรับรู้ เฉยๆไม่เดือดร้อนใครจะชมก็ไม่ไม่ดีใจใครจะด่าก็ไม่เสียใจเราต้องการความเฉยเป็นหลักคุณจิตครับไม่รู้สึกอยากได้อะไรแสดงว่าจิตละกิเลสได้ใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่ามันมันไม่รู้สึกแบบนี้ได้ได้บ่อยไหมได้นานไหมถ้านา้ตลอดเวลาก็ดีนะ อยู่เฉยๆได้อยู่แบบมั่งน้อยสันโดษได้ยินดีตามมีตามเกิดได้ไม่คิดอยากจะไปเที่ยวไม่คิดอยากจะไปอยู่กับคนนั้นคนนี้ไม่คิดไม่คิดอยากจะมีแฟนไม่คิดอยากจะมียอดมีตำแหน่งไม่คิดว่าอยากจะต้องมีเงินมีธรรมมากมายเพียงแต่มีพอเลี้ยงป่าเลี้ยงท้องได้ก็พออย่างนี้ก็แสดงว่ามีมีธรรมมากมีกิเลสน้อยคุณมาริษาครับ อยากเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการใช้ชีวิตร่วมกับคนที่มีความเครียดและสึ้เศร้าควรวางใจอย่างไรครับเพื่อวางทำมันเป็นปกติแล้วก็สัต์แต่ว่ารู้ไปเราไม่ต้องไปทุกข์กับเขาเราไปช่วยเราเขาเราไม่ได้เป็นสิท่งที่เราช่วยเขาไม่ได้ความทุกข์ความเครียดของเขาก็อยากความอยากของเขาที่เขาจะต้องหยุดให้ได้ทําใจให้สงบให้ได้ถ้าก็อยากจะรู้วิธีทําใจให้สงบทําไงถ้าเรารู้แล้วก็บอกเขาไป แต่ถ้าก็ไม่อยากจะรู้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกเขาช่วยเขาได้อย่างไงคุณแซมครับถามว่าระงับความโกรธแบบซึ่งหน้าทําอย่างไรครับผมยังระงับยังไม่ได้ครับวิธีง่ายที่สุดก็คือบริกรรมพุโทโธไปอเอาแก่ความโกรธขึ้นมันก้วพุโทโธพุโทโธไปเลยจนกว่าความโกรธจะหายไป คุณแคทครับถ้าเรามีรายได้ไม่มากเราทําทานไม่ให้เดือดร้อนตัวเองกับพยายามหาเงินทํางานมากๆจะได้มีเงินไปนบำรุงพระพุทธศาสนาแต่เราอายุมากแล้วก็เกรงว่าจะเครียดแล้วไม่มีเวลาปฏิบัติพระอาจารย์ว่าลูกควรสร้างบารมีแบบไหนดีครับทําเท่าที่มีหรือให้แสวงหาไปเรื่อยเพื่อมีเงินทําทานมากๆครับอ๋อ ท, ทําเท่าที่มีคำว่าทานนี้ให้เราทําในเงินที่ส่วนเกินที่เราไม่จําเป็นจะต้องมีแล้เก็บเอาไว้เพราะว่า เราไม่ต้องการให้เอาเงินนี้ไปใช้กับกิเลสเท่านั้นเองเช่นจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อของหรูหราอไปเที่ยวไปกินไปเดินไปแล้วต้องการสกัดการใช้เงินแบบนี้ทุกครั้งที่เราจะใช้เงินแบบนี้ก็ห้เอไปทําบุญทําทานดีกว่าแต่ถ้าเราไม่มีเงินทําบุญทําทานไม่มีเงินที่จะไปใช้กับของฟุ่มเฟือยเราก็ไม่ต้องทํำบุญทําทานปฏิบัติธรรมได้เลยเป็นเหมือนพระเลยเป็นเหมือนนั่งบวชได้เลยนั่งบวชเขาก็ไม่มีเงินมีทอนที่จะไป ซื้อความสุขทางรูปเสียงกลิ่นนล้นอันนี้ทางการสักัดไม่ให้ไปหาความสุขจะทางรูปเสียงกลิ่นร้นถ้ามีเงินมันมักจะกิเลยมันมักจะชวนให้เราเมันนี้ไปเที่ยวกันต้องอยู่กับคนไม่ดีเหลียกเลี่ยงไม่ได้ต้องทําอย่างไรครับก็คิดว่าเราเหมือนกับอยู่กับดินฟ้าอากาศนะวันนี้ช่วงนี้อากาศร้อนไหม เหตุเลีมมันได้เนอะเราก็ต้องอยู่กับมันไปอันนั้นเ่งทําใจเราทำใจครับุณอชราครับหลักธรรมจากพระไตรปิฎกกับหลักธรรมที่มาจากพุทธวจนะต่างกันหรือเหมือนกันครับอันเดียวกันเนี่ยพุทธวจนะก็มาจากพระไตรปิฎกพุทธพจน์เนี่ยพุทธวจนะกับพุทธพจน์คําพูดของพระพุทธเจ้าคำพูธเจ้าก็มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ คุณวีว่าครับคนไม่มีลูกมีบุญหรือมีกรรมครับถ้ามองทางหลัดธรรมมันก็มีบุญนะมันต้องมาทุกข์กับลูกไม่ต้องมาเลีลูกไม่ต้องมาห่วงลูกไม่ต้องมาเสียใจถ้าได้ลูกเท่าละพีลูกในละคุณไม่มีอดีที่สุดไม่ว่าจะลูกเรื่องอะไรไม่มีอดีกว่ามีมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีเมียก็ต้องทุกข์กับเมียมีสามีก็ต้องทุกข์กับสามี มีทรัพย์ก็ต้องทุกข์กับทรัพย์พระพุทธเจ้าถึงไม่มีเป็นบวชเนี่ยมีลูกก็ทิ้งลูกไปมีเมียก็ทิ้งเมียไปมีทรัพย์ก็ทิ้งทรัพย์ไปแล้วก็ไปอยู่แบบไม่มีมันก็หายทุกข์จากเรื่องราว น, นี้คุณยิ้มครับเครียดเพราะในโลกให้ความจริงเช่นแม่ติดเตียงต้องดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆก็สูงมากทั้งแคมเพอร์สแผ่นรองของสิ้นเปลืองต่างๆอีกมาก ซึ่งเราก็ต้องรับให้ไหวไม่ไหวก็อาจต้องมีการหยิบยืมเพราะจะปล่อยแม่ได้อย่างไรครับถูกต้องก็เวลาที่แม่เขาเลี้ยงเราท่านก็ท่านก็ต้องทำแบบนี้แหละท่านมีไม่มีบางทีท่านก็ต้องอดมือ้อกินมือแต่ไม่ยอมให้ลูกอดใช่ไหมมาถึงเวลาที่เราจะต้องทําหน้าที่ตอบแทนบุญคุณเราก็ต้องทําให้เต็มที่ทำเท่าที่เราทําไหวก็แล้วกัน้าไม่ไหวก็ต้องยอมก็ต้องยอมรับตบ่สภาพการเ ป, ป็นจริงไป คุณปุกครับเวลานั่งสมาธิเป็นสักพักแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในภวังเหมือนจะหลับแต่ก็ไม่ได้หลับรู้สึกตัวตลอดมีความรู้สึกสบายไม่ทราบว่าทําถูกหรือผิดซึ่งตอนที่นั่งสมาธิก็มีการพิจารณาร่างกายสลับกับกําหนดลมหายใจครับมันก็อยู่ในช่วงที่สติเริ่มเริ่มอ่อนแล้วเริ่มใกล้จะหมดกําลังแล้วมันก็จะเริ่มกำเคิมแล้วถ้ามีสติ ด, ดีจริงๆนี่มันจะเหมือนกับคนตื่นมันกับเรานั่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกตัวเต็มที่แต่รู้ว่าจิตของเรา ที่เคยฟุ้งเคยคิดนู้นเคได้หยุดคิดจิตเรานิ่งเงียบไปนี้่อันนี้ถึงจะเป็นสมาธิจริงอันนี้มันเป็ น, ปนแบบภาวะที่จะใกล้หลับนะถ้านั่งต่อไปนี้ไม่ดีก็อาจจะหลับก็ได้เมื่อสติมันหมดลูกคนโตเลี้ยงดูพ่อแม่แต่พ่อแม่ต้องการน้องๆลําบากมาอยู่กับเราแทนแต่ด่าสาบแช่งเราทุกวันน้อยใจมากทำอย่างไรครับ ก็เราอย่าไปคิดถึงคนที่เขาว่าเราคิดว่าเราเป็นหน้าที่ของเราที่ยังต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราเราก็ทําหน้าที่ส่วนนี้ไปถ้าพ่อแม่ต้องการอะไรก็เป็นเรื่องของพ่อแม่ไปอย่าคุณชมชนก ค, ครับบริษัทเลี้ยงของโยมไปสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านรูวติดกันโยมเลยวานให้พนักงานไปเก็บเศษซากของลกของหนูให้เขาและเขาพูดมากับพนักงานของโยมว่ามีความรู้สึกยังไง มาทำงานสํานักงานแต่ต้องมาเก็บเศษซากของโลกของหนูซึ่งคําพูดลักษณะนี้ที่เขาพูดมาขอพระอาจารย์เมตตาด้วยครับก็อย่าไปอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์เรห้ามเขาไม่ได้ให้คิดว่าเป็นเหมือนกับเสียงนกเสียงกาเสียงลมพัดเนี่ยมันก็มันก็เป็นไปตามเรื่องของมันเราอย่าเอามาใส่ใจเราต้องอยู่ตามแล้วว่อเราอยู่ในโลกนี้มันก็มีคําพูดที่น่าฟังคาพูดที่ไม่น่าฟังแต่ถ้าเราไม่เอามา มารักมาชังมาชอบมาไม่ชอบเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแถ้าเราไม่ชอบแต่คำพูดที่ดีที่งามพอแล้วไนดะ้ยินคาพูดที่ไม่ดีไม่งามเราก็จะเสียใจได้เราต้องฝึกทำใจว่าอยู่ในโลกนี้มันมีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทานีอันนี้ก็เป็นโลกกระธรรมอย่างหนถ้าอย่ากับสามีคือโยมสิ้นเวรต่อกันเลยไหมครับ ไม่เว้นมันจะสิ้นแล้วป่านนะอย่างนั้นเขาจะไม่จะไม่ต้องมาทุกด้วยกันนะแต่เขาจะมาราวีเราโดวยวิธีอื่นหรือว่าการ น, นี้ก็แล้วแต่เขาเองไนงะถ้าอยากแล้วก็หายหายจาบศูนย์ไปคนละทิศคนละทาง ก, ก็ก็คง mm hmm. จะหมดเวรหมดกรรมกันไปสนหรับชาตนนี้ก็ได้แต่ไม่แ น, น่เดี๋ยวเขาอาจจะวนกลับมาอีกวนหนึ่งก็ได้วันดีคืนดีถ้าเกิดเขาอยากจะมาหาเราอีกอยากจะมายุ่กับเราอีกนี่มันก็อาจจะ อันนี้อาจยังยังไม่หมดขนได้ก็ดูไปก็แล้วกันอย่าไปสรุปดูตามความเป็นจริงอันนี้เข้าไปก็ดีถ้าก็กลับมาก็ต้องทนรับต่อไปคุณสมศรีครับบอกว่าหลานสาวจบมหกํำลังเครียดเรื่องสอบข้ามหาวิทยาลายัยเช้าวันสอบมีอาเจียนเลยไม่รู้จะปลอบใจยังไงดีไม่ให้เครียดเขากลัวสอบไม่ได้กลัวไม่มีที่เรียนครับปกติเป็นเด็กเกรดดีครับ ก็เนี่แหละเพราะความอยากอยากได้โดยที่ไม่คิดว่ามันมันไม่มีอะไรแน่นอนก็ต้องบอกเขาว่าไม่มีอะไรแน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ก็ต้องหัดยอมรับความเป็นจริงถ้ายอมรับความเป็นจริงได้ก็จะไม่เครียดที่เครียดเพราะาอยากจะได้อย่างเดียวไม่อยากจะไม่ได้ก็เลยทำให้เครียด นั่งสมาธิไปนานเห็นมองเห็นแสงสว่างส่องไปข้างหน้าแสดงว่าเข้าถึงธรรมะใช่ไหมครับแสดงว่าไม่มีสติแล้วไม่ได้นั่งเดยมีสติไว้ให้ใจปรุงแต่งผลิตแสงสว่างขึ้นมาเราต้องกลับมาที่เร า, าหายใจต้องมากลับมาที่คำบริกรรมพุ่นโตเราสิ่งต่างๆจะไม่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราภาวนาคุณมาริสาครับ มีความรู้สึกเบื่อเงินแต่ต้องมีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อความจําเป็นในชีวิตประจําวันเงินทําให้เกิดความยุ่งยากควรทําอย่างใจอย่างไรครับไปบวชบัญชีไปบวชบัญชีแล้วก็อยู่อาศัยวัดอยู่กินข้าววัดไปทํางานให้วัดเพื่อเป็นการทดแทนค่าค่าใช้ใจ่ายที่เราไม่ต้องเสียไปมีแม่ชีบางก็ไปอยู่กับวัดบางวัดนครูบาอาจารย์ท่านก็รับให้อยู่แล้วก็ทําหน้าที่เป็นแม่ชีไป ช่วยทำการสะอาดช่วยเรื่อดูแลเรื่งครัวอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นการทดแทนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองยินดีตามมีตามเคยอาหารก็แล้วแต่พระจะจัดมาให้พระเหลืออาจากเหลืจากพระพระก็แบ่งมาให้กินาาก็กินไปตามมีตามเคยหรือบางสํานักเขาก็ให้แม่ชีไปบินถบานได้ อย่างสายเราบินตาบานได้มีแม่ชียอยู่รูปหนึ่งมาเดินบินตาบานอยู่ครับคนเดียว แ, แล้วก็มาเดินบินตบาน ท, ทุกวันเต่ก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองแม่ชีก็มาจากพญานไมฮะอาจายหรือว่ามาจากวัดอื่นครับมาจากสำนักหลาม่ตรฐานนี้มีสำนักเม่กีน้อยอยู่เยอะพอสมควรครับ เวลานั่งสมาธิบางครั้งเหมือนจะวูบแบบกึ่งนิ่งหมายถึงอะไรครับก็ไม่หมายถึงอะไรก็มันก็นั่งสมาธิมันก็มีวูบแบบวูบแบบสองแบบวูบแบบแบบแบบหลับก็วูบแบบสมาธิถ้าวูบแบบสมาธิก็จะมีความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาวูบแล้วก็นิ่งสงบแต่ถ้าวูบแล้วหลับก็ไม่รู้อะไรเลยมารู้สึกตัวไอทีเมื่อตื่นขึ้นมา คุณนัทชาครับอยากให้พระอาจารย์พูดเรื่องความเจ็บป่วยคุณแม่ป่วยและเกิดภาวะเครียดครับเเรื่องความเจ็บป่วยนี้เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายของมนทุกคนไม่ว่าเขาว่าเราไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ว่าจะรวยจะจนมันใจใหญ่ใจเล็กนี่ต้องมร่างกายของทุกคนเหมือนกันหมดต้องเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยหล่างกันตรงที่ว่าป่วยมากป่วยน้อยเท่านั้นเองแต่ต้องป่วยด้วยกันทุกคนเพราะั้น ขอให้เราให้มองให้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วเราจะไม่เครียดได้ก็เพราะว่าเราอยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยอยอมรับความตายถ้าเราไม่อยอมรับความเจ็บไข้ใด้ป่วยเราไม่อยอมรับความตายเราก็จะเครียดเพ่อสิงวิธีจะทำให้เรารับได้ก็ต้องมองว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่เครียดนี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่เครียดเลยร่างกายเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนเฟยมันไม่รู้เรื่องมันไม่มีความรับรู้อะไรมันจะเจ็บต้องมันจะแก่จะเจ็บตรงไหนอย่างไรมันจะตายมันไม่รู้เรื่องมันไม่เดือดร้อนผู้ที่เป็นเดือดร้อนก็คือใจที่ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเลยแต่เพราะความหลงของใจไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายนี้ท mm ่านเองที่ทําให้เครียดขึ้นมา นั่นคอยสอนใจอยู่เรืยว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้ใช้ร่างกายให้พาไปไหนมาไหนใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันใจก่เจ็บตายไปแล้วใจก็จะไม่เครียดที่เครียดเพราะไม่อยากให้มันแก่เจ็บตายทั่นเอง เวลาอยู่กับธรรมาชาติเสียงนกร้องสายลมเย็นสบายและมีความสุขมากพอเข้าสังคมรู้สึกว่าวุ่นวายมากทำยังไงดีครับก็อย่าเข้าสังคมเลยไปอยู่มปอยู่ตามป่าตามเขาถ้าอยากจะมีความสุข ส, ขสบายใจคุณใบ ย, ยกครับลูกนั่งสมาธิโดยที่ลูกไม่ได้คิดว่าตัวลูกเองจะได้ขั้นไหนยังไงเพราะปัจจุบันสิ่งที่ลูกได้จากการนั่งสมาธิคือลูกใช้ชีวิตประจําวันแบบปกติไม่ทุกข์ กับอะไรมากเหมือนแต่ก่อนเพราะรู้เข้าใจว่าทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุอ่านเล่าให้ฟังครับใช่การปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อดับความทุกข์เท่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องบรรลุนั้นบรรลุ น, นี้แต่การบรรลุมันก็เป็นผลจากการปฏิบัติของเราขั้นเป็นขั้นขั้นไปคือการการดับของความทุกข์มันจะหมดไปเป็นขั้นๆไปเท่านั้องแต่างไม่เราไม่ได้ไปอยู่ติดอยู่กับคําว่าชื่อสุนทรภันธุอยู่อะไร เราติดอยู่กับการไม่มีทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ทําบุญหรือภาวนาทุกครั้งจะอธิษฐานจิตอย่างนี้ทําถูกต้องไหมครับคําว่าอธิษฐานนี่ต้องแปลความหมายก่อนนะเพราะมันมีสองความหมายความหมายทางโนอกก็หมายว่าขอนู่นขอนี่ถ้าขอนู่นขอนี่ทางศาสนาไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้สอนให้ขอแต่ถ้าว่าอธิษฐานนี่เป็นคํา คำตั้งใจว่าจะทํานั่นทนํานี่จะภาวนาทุกวันอย่างเงี้ยจะทําบุญใส่บาตรทุกวันอย่างเงี้ก็ควรจะทำนอว่าจากไปนี้ข้าพเจ้าจะขอทําบุญใส่บาตรทุกวันไม่ให้ขาดเลยอันนี้ก็เรียกว่าทิฏฐานคือความตั้งใจที่จะทำกินไดกินหนึ่งไปต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยเวลาเครึ่องชั่วโมงนะชั่วโมงหนึ่งก็ว่าไปอันนี้เรียกว่าทิฏฐาน ต้องมีอธิษฐานต้องมีความตั้งใจก่อนถึงจะมีการกระทาตามมาได้ถ้าไม่มีความตั้งใจก็พวกนี้ก็ไม่ใส่บาตก็ได้ไม่ใส่สก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะไม่ได้ตั้งใจแล้วแต่อารมณ์แต่ถ้าตั้งใจแล้วมันก็ต้องทำตามความตั้งใจนราคุณประพัดสอนครับ ความอยากในการออกบวชเนื่องจากเบื่อทางโลกต้องการหาหนทางแห่งการหลุดพ้นในวัฏสงสารเพราะหากอยู่ทางโลกจะทําให้ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แต่ต้องละทิ้งการดูแลพ่อแม่ถือว่าเป็นความอักตันยูไหมครับก็อยู่ที่ว่าเรามีหน้าที่จะต้องคอยดูแลท่านหรือเปล่าถ้าท่านต้องพึ่งเราอันนี้เราก็ต้องไปไม่ได้เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราไปแต่ถ้าท่านอยู่ท่านย่างสุขสบายถ้ามีเงินทางดูแลตัวท่านเองได้ ไม่มียดเราท่านก็ไม่เดือดร้อนนี้ก็ไปได้เวลานั่งสมาธิแล้วบังคับลมหายใจจะแก้ไขได้อย่างไรครับไม่ต้องไปบังคับให้ดูเฉยๆมาเราดูแล้วดูก็ดูไปเฉยๆอย่าไปบังคับตัวละครให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดูไปตัวละครจะกระโดดโลดเต้นจะนั่งจะนอนก็ดูตามความเป็นจริงไปก็เหมือนกับลมเราก็ดูลมไปอย่าไปบังคับลม มันหายใจเข้ากันแล้วหายใจเข้าตอนนี้มันเราก็ไม่ได้บังคับนมไม่ใไ่ตอนที่เรานั่งฟังอยู่ในขณะนี้ก็ปล่อก็เป็นปล่อยมันเป็นไปแบบนี้ไม่ได้ไปบังคับมันพิยงแต่หันาหามาดูมันเท่านเองเราบังคับนมไม่ได้หรอกคุณวรนธนาครับการขาจัดความเศร้าที่อยู่ในใจที่เป็นความสงบต้องยึดหลักการปล่อยวางทุกสิ่งได้ไหมครับ มันไม่มันไม่ไม่ถูกกับความสงบไม่มีความเศร้าหรอกความความอยู่โดดเดี่ยวมากกว่าทิวะทำให้เกิดความเศร้าในใจเวลาะนะอยู่คนเดียวมันจะเริ่มไปความเศร้าซศร้อยง ห, หงายเงขึ้นมาแต่ถ้าใจสงบ้วมันไม่เหงานะมันไม่เศร้านะมัน ม, มีความสุ ข, ขกับการอยู่คนเดียวคุณพิสิทธ์ครับหลังตายเมื่อวิ ญ, ญญาณออกจากร่างแล้ววิญ ญ, ญาณนั้นเป็นโอปะปะปาติกะหรือไม่ครับ คือวิญญาณไม่ได้อยู่ในร่างกายเราวิญญาณเพียงแต่หลักการรับเชื่อมต่อกับร่างกายกับใจอยู่คนลอยู่คนละคนที่กันคําว่าโอปาติกะที่เราก็จําไม่ได้ความหมายว่าแปลว่าอะไรแตนะ่เป็นนิวเวีย ญ, ญาณเป็นนิวเวีย ญ, ญาณเป็นจิตที่ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าเป็นถ้าเป็นจิตของพระอาหันต์ของพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปมีร่างกาย คุณปูครับคุณแม่อายุ86มีอาการขาชามีความวกลัวกังวลว่าจะเดินไม่ได้กลัวติดเตียงขอคําแนะนําว่าควรพูดให้ท่านวางใจและปล่อยวางเรื่องทัดขันอย่างไรดีครับก็ต้องพูดความจริงว่าเราบังคับร่างกายไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะถอยยอมทำใจยอมรับกับความเป็นจริงถ้าจะต้องติดเตียงก็ติดเตียงไปถ้าจะต้องตายก็ต้องตายไปไปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องมัน นี่คือธรรมชาติของร่างกายถ้าไม่อยากจะจะกับเรืาา่องราวนี้ก็อยากกลับมาเกิดอีกถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกก็ต้องตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจให้ได้ทํางานไปด้วยสวดไปด้วยจะพอได้บุญหรือได้ความคุ้มครองบ้างไหมครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าถ้าสวดไปแล้วมันใจสงบหรือไม่ถ้าใจสงบใจไม่เครียด ก, ก็ได้บุญ นน่นคุณสิริชัยครับการใช้ปัญญาหยุดความคิดความอยากลุงแต่งให้รู้ว่าไม่ที่ยังเป็นไตลักษ์ควรจเจริญตลอดเวลาที่คิดหรือตลอดเวลาครับก็ทุกครั้งที่เราเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ต้องเห็นไตลักษ์มันก็จะหยุดความอยากได้เช่นอยากจะมีแฟนพอคิดว่าแฟนอาจจะไม่อยู่กับเราไปตลอดนะไม่แน่นอน อยู่กับเราถ้าพักเขาเบื่อเราก็อาจจะทิ้งเราไปก็ได้ได้ถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะสกัดความอยากได้เราจะเห็นว่ามันมีการมีแฟนนี่มันจะต้องเกี่ยวกับความทุกข์เพราะความไม่แน่นอนของแฟนว่าเขาจะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่ต้องมีต้องเห็นต่รักตลอดเวลาที่เราเกิดความอยากทุกครั้งที่เราเกิดความอยากถ้าเห็นตายรักเราก็จะสกัดหยุดความอยากได้ คุณธามัสตรีมครับในช่วงแรกๆใช้การบริการมลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทรไปก่อนได้หรือไม่ครับพอดียังไม่รู้จะวางพุทธโทรไว้ตรงไหนของความรู้สึกครับง่านท้าถ้าเป็นสิ่งที่เราถนัดแบบนี้ก็ทำได้ข้อสำคัญก็คือให้ใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองคุณแวรี่ครับการที่อยากไปอยากเราต้องวางใจอย่างไรครับ ปฏิบัติไปเรื่อยๆหรือแค่รู้ว่ามันดีชีวิตจิตใจเราดีขึ้นแค่นี้คือการวางใจว่าอย่าไปอยากใช่หรือไม่ครับคือปฏิบัตินานแล้วแต่ไม่เห็นผลอะไรมากกว่าเดิมครับต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์มันจะทำให้เราทุกข์เพราะว่ามันเป็นของที่ไม่แน่นอนอาจจะอยู่กับเราชั่วคราวหรือนานบางม่นานบ้างเวล า, นามันจากเราไปมันก็จะทาให้เราเศร้า ถ้าเราไม่อยากจะเศร้าเราก็อยากไปอยากได้สิ่งนั้นมาก็หมดเรื่องคือความอยากได้ใจเราก็ไม่ต้องไปเศร้ากับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้คำถามต่อบอกว่าหนูรู้ว่าก็ต้องเพิ่มความเพียรแต่ขมใจไม่ไปตามกิเลสแต่บางทีก็รู้สึกว่าไม่ก้าวหน้าเลยคิดว่าเพราะเราอยากหรือเปล่าบนอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราปฏิบัติน้อยไม่ใช่เลยเนาะถ้าปฏิบัติมากเราเอาวันพระวัน เราทาวันหยุดวันหนึ่งมาให้กับการปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนอยู่สิเราจะเห็นผลแตกต่างกันเลยมีคนถามว่าเวลาเช็ดโต๊ะแล้วเจอมดกินเศษอาหารอยู่ควรปล่อยให้มดกินเศษก่อนไหมครับแล้วก็เช็ดต่อครับแล้วก็ปั่นมันได้เนะี่ยใช้ไม้ขนขนไก่ปั่นมันไปปั่นให้มันใส่ภาชนะแล้วก็ไปทิ้งไว้ที่ไหนข้างนอกก็ได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งรอมัน ถ้าเกิดมันไม่หยุดมันจะอยู่นั่นทั้งวันจะทำยังไงครับคุณขวัญครับขอความเมตตาในความไม่รู้ครับความอยากพ้นทุกข์ถือว่าเป็นความอยากที่ทําให้เกิดทุกข์ไหมครับถ้าใช่แล้วจะทำอย่างไรให้ความอยากพ้นทุกข์เป็นเรื่องที่ไม่ทําให้เกิดทุกข์หรือทําให้เราเครียดครับเพราะความอยากพ้นทุกข์จะทําให้เราพ้นทุกข์เลยมันจะไม่เกิดทุกข์มันจะทําให้ทุกข์ดับไปเราต้องมีความอยากพ้นทุกข์แล้วเราก็ต้องปฏิบัติ วิธีที่จะทำให้ทุกข์นั้นดับไปคุณเที่ยวไปเรื่อยครับนิยามของพระอาหารหันต์คืออย่างไรครับอาจารย์ผู้สิ้นกิเลสเนี่ยผู้สิ้นกิเลสคือผู้ไม่มีความโลภก่อนตงไม่มีความอยากต่างๆอยู่ภายในใจแล้วก็เป็นพระอาหารหันต์ได้ช่วงนี้เป็นช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับอาจารย์มีคนถามเรื่องลูกสาวเครียดกลัวสอบไม่ได้ห้องเดิมที่เรียน ขอทำมาสอนลูกสาวด้วยครับก็ อ, อย่างที่สอนไม่มีอะไรแน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ก็ให้ทําใจไว้ก่อนคิดว่าไม่ได้ไว้ก่อนแล้วเราจะสบายใจพอมันไม่ได้ก็จะสบายใจเพราะเราก็คิดว่ามันไม่ได้มันก็ไม่เสียใจถ้า <ขอ S 2> มันคิดว่าต้อ ง, องได้ต้องได้พอ <ๆ S 2> ไม่ได้มันก็จะเสียใจมันก็จะเครียดเราคิดว่ามันเหมือนกับเราโยนเหรียญหัวก้อยเนี่ยเราเราจะไปดูมันจะตกออกมาเปนหัวหรือเป็นก้อยใช่ไหม การสอบก็เหมือนกันมันบางทีเราเราเตรียมตัวเต็มที่แล้วแต่เรามันกล้า จ, จะพลาดได้หรือคนที่เขาได้คะแนนมากกว่าเราพี่อาจจะเพีนแต่จุดศูนย์หนึ่งก็เขาอาจจะได้แล้วเราอาจจะไม่ได้ก็มีเพราะการแข่งขันมันมันมันค่อยๆที่จะรุนแรงเด็กทุกคนเนี่ยครับเรียนพิเศษกันตลอดเวลานึกพ้ต่างว่าอาจจะแค่จุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์สอง เราต้อ ง, ต, องต้องทําใจต้องยอมเราต้องคิดเผื่อไว้ว่าอาจจะได้อาจจะไม่ได้แต่ขอให้เราทําดีที่สุดก็แล้วกันคุณอารามศรีครับการอยู่กับปัจจุบันในสมาธิจิตอยู่กลางกลา ง, น, งนิ่งที่ฐานจิตใช้จิตเป็นอุเบกขาไหมครับก็ดูเสียว่าจิตก่อนไหมเวลาใครด่าใครชมใครด่าก่อนหรือเปล่าใครชมเราดีใจหรือเปล่า ถ้าถ้าถ้ามีความดีใจมีความเสียใจก็สแสดงว่าไ ม, ไม่ไม่มีโอเบคาแล้วต้องต้องเฉยต้องสั์แต่ว่ารู้เท่านั้นเองถึงจะได้ความีโอเบคาคุณสุนีครับดูเอริยาบทสี่เห็นใจมันคิดครั้งแรกเห็นทั้งวันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคิดเป็นเพราะอะไรครับก็เพราะเราคอยส ก, กัดมันด้วยสติไงคอยให้มันอยู่กับการดูเอริยาบทมันก็เลยไปคิดเรื่อ น, นั้นนี้ไม่ได้ คุณสิณีนาครับบอกว่าจริงไหมครับเวลาเราใส่บาตรด้วยอะไรตายไปก็จะได้สิ่งนั้นครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะรู้เพียงแต่ว่าทําไปแล้วมันจะได้ความอิ่มใจสุขใจไปส่วนเขานั้นมันอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เปมนกันแต่ที่ได้ก็คือบุญเวลาตายไปเราไม่ได้กินขอ ง, งต่างๆเรากินบุญเปนความอิ่มใจสุขใจ คุณก้องครับบอกว่าทาอย่างไรให้ผู้สูงอายุเข้าหาธรรมะครับทําไมต้องไปทําให้เขาหาธรรมะด้วยเราทำไมไม่เข้าหาธรรมะเองทําตัวรให้เข้าหาธรรมะได้ก่อนเถอะทาตัวร้ายบรูลเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระหลานได้ก่อนแล้วค่อยไปทําให้คนอื่นแตะพระพุทธเจ้าเองยังไม่ไปยังไม่ไปทําให้คนอื่นเข้าหาธรรมะเลยแต่พระพุทธเจ้าพระหลานนี่ไม่เคยไปต้อนให้คนเข้าหาธรรมะ มีแต่คนเข้ามาหาท่านเพื่อขอศึกษาธรรมะท่านั้นั้นอย่าไปทำให้คนอื่นเขาเข้าหาธรรมะไม่ใช่หน้าที่ของเราเราไม่ใช่เป็นเรื่องของเราที่เราจะไปทำเราทำได้อย่างเดียวก็คือให้เขารับรู้ว่ามีธรรมะอยู่ที่ไหนถ้าเขาสนใจเขาช่วยพาเขาไปหาธรรมะได้อย่างนันได้อยู่อาจจะไปพยายามต้อนเขาไปโน้มน้าวไว้ไปหาหาธรรมะนี่ถ้าเขาไม่ต้องการเราจะทำยังไง คุณปริยพรครับถ้าเราทําอาชีพที่ไม่ชอบเช่นขายสุราขายยาฆ่าแมลงจะทําให้พบกรรมจากสิ่งนี้อย่างไรบ้างและหากเราตั้งใจจะหยุดขายจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับเราบ้างครับคือมันก็เป็นการทำอาชีพที่ส่งเสริมให้มีการกระทํำบาปมันก็มันก็อาจจะมีคนกระทถกกลับมาต่อไปคนคนที่เขาขายสุราให้คนแล้วคนซื้อสุรามาดืม่มแล้วเขาเมาแล้วเขาขับรถ มาชนบ้านเราอย่างนี้เราก็รับเคอะไปเลื่อนมาชนรถเราเวลาขับเราขับรถไปแล้วคนเดินโซลามาว่าขับข้ามเลนมาชนกันแต่ถ้าไม่มีการกายโซลาก็ยังไม่มีคนขับรถแบบมึนเมาโอกาสที่เราจะต้องเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุจากคนมึนเมาขับรถก็จะไม่มี บางครั้งการที่เราจําเป็นต้องพูดเท็จเพื่อให้คนอื่นรู้สึกดีหรือสบายใจอย่างนี้ศีลปกพ้องแล้วใช่ไหมครับบกพ้องครับเรายอมเสียตัวเพื่อเให้คนหนึ่งเขาไม่ขาดสุ่นแ ล, แล้วแต่ยอมไปติดครุขคพื่อให้คนหนึ่งก็มีความขุ่ก็ทําไปครุขในที่นี้ก็คืออบายเอาไหมถ้าถ้าเกิดคนถ้าคุณอยากให้คนนั้นเขาสบายเราก็ยอมยอมทํยายอมไปติดครุกยอมพูด รับผิดเองแล้วไปติดคุกแทนเขานี่คุณจะทำไหมคุณน้อยครับตอนนี้กลายเป็นคนป่วยแล้วกลัวตายมากเลยครับทำยังไงให้หายเครียดได้ครับก็องอยอมรับว่ า, า จ, จะเกิดก็ต้องเกิดเวลาจะต้องตายก็ต้องตายเราไม่มีทางเลือกแต่สิ่งที่ตายไม่ใช่ตัวเราแค่คิดแคเนี้เราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราเป็นผู้มาใช้ร่างกายร่างกายเป็นลูกน้องเราเป็นบ่าวเราเป็นนายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้ามันจะตายก็ต้องต้องปล่อยให้มันตายไปอย่างนี้เราก็จะไม่เครียดคุณศิริวรัณถามว่าก่อนนอนเปิดบทสวดมนต์ฟังแล้วหลับมีประโยชน์ไหมครับก็เป็นยานอนหลับไงคุณพรทิพย์ครับ หนูเคยขับรถไปเหยียบแมวตายโดยไม่ได้ตั้งใจแบบนี้ถือว่าผิดศีลเพราะค่าสัตว์ไหมแล้วเราจะทำยังไงกับกรรมนี้ถึงจะน้อยลงครับออไม่ผิดหรอถ้าไม่มีเจตนาไม่มีครับตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุมันเรื่องสุดวิสัยคุณนางครับโยมนั่งสมาธิสวดมนต์ไปเรื่อยๆเกิดอาการหนักหน่วงอาการแบบนี้หนูต้องทำยังไงต่อไปครับอย่าไปสนใจให้มีสติอยู่กับ ลหมหายใจที่ถ้าเราใช้ลหมหายใจก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับลมถ้าเราใช้กบบรรมวิกรรพุโทโธก็ทำกรรมวิกรรพุโทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นหรือถ้านจิตสงบแล้วมันก็จะหายไปงคุณจันทร์เจ้าขาครับจะแผ่เมตตาให้ผู้ร่วมงานอย่างไรเขาถึงจะได้รับครับ <c oughs> เอาเอ า, เอาขนมมาให้เขาสิการแผ่เมตตาก็คือการแสดงความเป็นมิตร ไปซื้อขนมมาฝากเขามีอะไรให้เขาไปเนี่ยสแสดงความเป็นมิตรเนี่ยนะเรียกว่าการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาไม่ได้ อ, อยู่ที่การสวดบทแผ่เมตตาแต่อยู่ที่การกระทําให้ความสุขแก่ผู้นี่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตากลุ <c oughs> ่มสราวุฒครับ <c oughs> มีความคิดกังวลผุดขึ้นมาโกนใจ <c oughs> ขออภัยครับอาจานกลุม <c oughs> กวนใจตลอดเวลาจะทํำยังไงให้ความคิดกังวลต่างๆหายไปได้ครับใช้คําิ ร, ริกรรมพุโทโธไปพุทโธพุทโธไปแต่ต้องฝึกไว้ก่อนถ้าไม่เคยฝึกไว้ก่อนเวลาจะพุโทโธมันพุโทโธไม่ออกมันสู้กําลังของความคิดไม่ได้ดังนั้นต้องหัดฝึกพุโทโธอยู่เรื่อยๆตั้ ง, งแต่ตื่นขึ้นมาพยายามฝึกพุโทโธไปแล้วเวลาต่อไปเวลาเราต้องการใช้พุโทโธมันหยุดความคิดเราก็สามารถหยุดความคิดได้ คุณสุนีครับที่พระท่านสอนทุกเท่านั้นที่เกิดทุกเท่านั้นที่ดับคืออะไรครับถ้าให้พูดถึงเรื่องทุกนะความจริงมันก็มีเรื่องยืนย่นด้วยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องทุกก็ทุกก็ถ้าพูดเรื่องทุกมันก็มีแต่ทุก อ, อย่างเดียวที่เกิ ด, ดที่ดับแต่ถ้าพูดเรื่องร่างกายร่างกายมันก็มีเกิดมีดับเหมือนกันนั่นเงมันเราก็ไม่ทราบความหมายว่าท่านพูดนั้นมีความหมายไว้ยังไงคุณเที่ยวไปเรื่อยครับ ถ้าบวชแล้วให้แม่ไปอยู่วัดถือศีลแปดภาวนาไปด้วยกันแบบนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณแม่ที่ดีที่สุดใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าแม่จะไปหรือเปล่าแล้ววัดที่เราไปอยู่ท่านจนะให้แม่ไปอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่การตอบแทนบุญคุณแม่ด้วยการให้แม่ไปบวชได้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ดีคุณอารามศรีครับ เห็นทุกจะเห็นสมุทัยพร้อมกันรบกวนพระอาจารย์อธิบายด้วยครับตอนเวลเราทุกข์แปบเราเห็นว่าทุกข์เพราะเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ก็เรียกว่าเห็นเห็นเห็นต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากอยากอยากให้เขาดีกับเราพอเขาไม่ดีกับเราเราก็ทุกข์พอเราทุกข์แปบเราก็รู้อ่อนนิสัยของความทุกข์เราก็เกิดจากความอยากให้เขาดีก็ดีกับเราพอเขาไม่ดีกับเราเราก็เลยทุกข์ เราก็หยุดความอยากเสียหยุดความอยากที่ทําให้เราทุกข์คือความอยากให้เขาดีกับเราเพราะเราบังคับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาทําตามที่เขาต้องการจะทําเขาอยากจะไม่ดีกับเราเขาปล่อยเขาไม่ดีกับเราถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาดีกับเราเราก็จะไม่ทุกข์คุณสุถามว่าเวลาสวดมนจะรู้สึกหาวน้ําตาไหลก็จากอะไรครับไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้อง ไม่รู้จะตอบยังไคุณอ้อมเดือนครับบอกว่ามีญาติเชื่อหมอดูมากพยายามให้เราเชื่อด้วยญาติเสียเงินกับเรื่องหมอดูเยอะมากมีวิธีหลีกเลี่ยงอย่างไรบ้างครับก็อย่าไปเชื่อเขาเขาจะให้ดูก็ดูไปแต่เราไม่ต้องมาเชื่อเขาครับคุณนัดครับตอนนั่งสมาธิดูลมหายใจรู้สึกรู้สิ่งมากระทบอายตนะทั้งหกแล้วดับ เห็นความพอใจไม่พอใจแล้วดับนั่งไปรู้สึกร่างกายเราคือตัวทุกข์รู้สึกเบื่อร่างกายเบื่อไหนโลกภายนอกควรแก้แบบไหนครับก็คืออย่าไปมีร่างกายถ้ารู้ว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เราก็อย่ามาเกิดการที่เราจะไม่มาเกิดได้เราก็ต้องหยุดกิเลสความอยากทั้งหมดให้หมดไปจากใจคุณวิสิทธิ์ครับ วันเชงเมงถ้าเราไม่ไปไหว้สุาสานเราไปวัดทําบุญแทนได้ไหมครับมันเป็นเรื่องของประเพณีของของชาวจีนเขาเขาไปเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกับผู้ที่ลงรับไปแล้วคือบิดามารดาผู้ย่าตาใหญ่เนี่ยเรไปไม่ไปมันก็เป็นเรื่องของเราแต่เรื่องมาทําทําำบุญที่วัดมันก็เ ป, นนเปน็นก็เป็นเรื่องของเรา การไปไปเชิงหม่นี้ไม่ไม่ได้บุญไม่ได้สามารถส่งบุญไปให้คนตายได้ถ้าจะส่งบุญให้คนตายก็ต้องไปทําบุญทําทานแล้วก็อุทิศบุญที่ล้วได้จากการทําบุญทําทานไปให้กับคนตายนั่งสมาธิเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมครับให้ใจเราพร้อมใช่นั่งได้ทั้งวันทั้งคืน คุณเที่ยวไปเรื่อยครับบอกว่าพระอาจารย์เทศว่าคนเราโมวแต่แก้ปัญหาคนอื่นแต่ลืมแก้ปัญหาตัวเองเพราะความโง่แก้ปัญหาให้ตัวเองในที่นี้หมายถึงละความอยากปล่อยวางกิเลสใช่หรือไม่ครับใช่คุณสง่าครับบวชพระบ้านปฏิบัติเหมือนพระอาจารย์พระป่าได้ไหมครับได้การบวชเนี่ยอยู่ที่เราเราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติบวชส่วนใหญ่พระส่วนใหญ่ก็บวช ตามวัดบ้านตามวัดเมืองก่อนหลังจากนั้นก็ไปอยู่ก็ตามวัดป่าเพราะส่วนใหญ่วัดป่าก็จะไม่บวชพระให้เราก็ต้องบวชที่วัดบ้านก่อนบวชแล้วเราก็ขออนุญาตพระอุปัชฌานี้ท่านบวชให้นว่าขออนุญาตไปปฏิบัติกับพระป่าถ้าท่านอนุญาตก็ไปได้ถ้าท่านไม่อนุญาตก็ไปไม่ได้แั่หนี้ไปได้ถ้าถ้าอยากจะไปจริงๆถึงแม้ท่านจะห้ามเราก็ไปได้ครับ พระอาจารย์ครับพระป่านี้วัดป่าโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีพระอุโบสถมาให้บวชใช่ไหมพระอาจารย์ใช่แต่ไม่ค่อยเพราะมันยุ่งเลยมันเป็นเรื่องที่จะทำมาบรบกวนการปฏิบัติเพราะการบวชมันจะเป็นพิธีกรรมมีคนเข้ามาเยอะส่งเสียงดังดัเลยตัดปัญหา น, นี่เดินเราไม่มีการบวชในในวัดป่านะถ้าจะบวชก็ไปวดัดไปบวชที่วัดบ้านกันแล้วสมัยก่อนบ้านตาดก็ไม่บวชไม่ได้ใช่ไมัม่ไม่ได้ถ้าไม่ดก็ไม่ได้ สำไมที่หลวงตาบวชก็ไม่ได้บวชที่กำหลวงปู่ม่านท่านก็บวชที่วัดที่ใกล้บ้านท่านอยู่บวชแล้วท่านก็ไปศึกษาแล้วก็ไปติดตามไปปฏิบัติกับหลวงปู่ม่านต่อไปในภายหลังคุณสันติครับเหตุปัจจัยที่ทําให้ตกอบายคืออะไรครับคือการกระทำบาปฆ่าสัตว์ักรัพย์ประพฤติดประเพณีพูดปดหนึ่งของมิ่เมา มีคนถามว่ามีวิธีแผ่เมตตาให้กับคนที่ทําให้ครอบครัวเราพังไหมครับก็ให้อภัยเขาอย่าไปโกรธเขาเนี่ถือว่าเป็นเป็นกรรมของเราก็แล้วกันที่ต้องชใช้ก็ยอมใช้ไปอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปจองเวรจองกรรมกับเขาอันนี้ก็คือการแผ่เมตตาคุณธินกรครับถ้าคนดินทาเรา เราไม่พูดด้วยเขายิ่งว่าให้เราเราควรทําอย่างไรครับเขา่อยเขาว่าไปเนี่ยถ้าเดี๋ยวเขาก็เบื่อ เ, อเขาก็หยุดเองลองทาตัวเป็นต้นเสาดูสิแลใครไป ด, าด่ า, าต้นเสาแล้วต้นเสาไม่ตอบเดี๋ยวมันก็เบื่อเองมันก็หยุดเองครับคุณอนาคตาครับ <c oughs> เวลาไปปฏิบัติธรรมจะเกิดความรู้สึกกลัวอะไรที่บอกไม่ถูกแต่บอกว่าไม่ใช่ผีนะครับไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ ความไม่สบายไม่คม้ำเคยอยู่กับความสุขความสบายพอต้องไปอยู่ที่แบบที่มันก็อาจจะมีความรู้สึกห ว, ดวาดกลัวว่าไม่เลือก จ, จะเกิดขึ้นกับเราคุณอริยาครับเรียนพระอาจารย์อดีตทํางานแล้วมีเพื่อนร่วมงานด่าเราแต่ปัจจุบันก็ขออโหสิกรรมให้ทั้งหมดกรรมจะได้ไม่ต้องมาชดใช้ชาติหน้าเราทําคิดแบบนี้ได้ให้อภัยไหมครับ คือการให้อาภายมัมีสองส่วนเขากับเราเราให้อภัยกับเขาแต่เขาอาจจะไม่ให้อภัยกับเราก็ได้ถ้าก็ยังไม่ให้อภัยก็ยังมีการจองเวรย่างต่อจากเขาแต่เราไม่ไปจองเวรเขาแล้วเวลานั่งสมาธิและสมองมันคิดไปเรื่อยต้องกําจัดยังไงครับไม่ใช่สตินะอย่านั่งเฉยๆนั่งเราต้องพุโทโธพุโทโธไปถึงแม้มันจะคิดก็อย่าไปสนใจ ในเบื้องต้นเราหยุดความคิดทันทีไม่ได้หรอกวัยมันคิดไปแต่เราก็ใช้สติอยู่กับพุโทโธพุโทโธแข่งกัมันไปแล้วถ้าเราสติพุโทโธเรามีกําลังมากขึ้นมากขึ้นความคิดมันก็จะเบาลงเบาลงแล้วก็หายไปในที่สุดได้คุณปรีดาครับพอเข้าใจหลักปฏิบัติแต่ตั้งแต่ใช้ชีวิตมาช่วยเหลือบุปรการญาติพี่น้องคนสนิทแต่กลับได้แต่ความผิดกลับจะทําอย่างไรดีครับ ไม่ทราบว่าความเผ็นที่มาเข้ามาอย่างไรไ ม, ไม่เข้าใจเราเร า, เราทำอะไรให้กับคนอื่นเราอย่าไปหวังผลตอบแทนนะเพราะว่าการทําประโยชน์สุขให้กับผู้อนี้เราได้ประโยชน์แล้วคือความสุขใจอิ่มใจภูมิใจในการที่เราได้เสียสละเวลาของเราสรีละกําลังของเราให้กับให้กับผู้อขอให้เรามีความสุขกับการกระทํามันนี้แต่อย่าไปหวังผลตอบแทน ถ้าเราไปหวังผลตอบแทนมันก็ไม่ถือว่าเป็นการทําบุญทําคุณถือว่าเป็นการซื้อขายไปเราทําอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หวังผลตอบแทนพอเขาไม่ตอบแทนเราเราก็เสียใจงั้นอย่าไปหวังผลตอบแทนจากใครเวลาเราทําคุณทําประโยชน์ให้กับเขาเกี่ยวกัการทําบุญกันไปคุณอภิชาติบอกว่าพระอาจารย์ช่วยขยายความจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้ด้วยครับ พรจิตที่ฝึกนีแล้วจิตมันจะสงบเลยจิตจะไม่มีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาจิตจะไม่สร้างเรื่องวุ่นวายใจต่างๆจิตจะอยู่ในความสงบความสงบ ก, ก็คือความสุขนีเราควรวางใจให้เป็นสุขหรือทุกข์ดีครับถ้าเราทําใจให้เป็นสุขจะเป็นการประมาทไหมครับเ ร, เราควรจะทําใจใเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ให้เฉยๆให้รับรู้เฉย ๆ, ๆ คุณเบนครับถึงจะทำอย่างไรถึงจะคลายเครียดจากเรื่องทุกข์ต่างๆที่เข้ามาทั้งเจ็บไข้ตัวเองพ่อแม่ต้องตั้งสติอย่างไรบางคนบอกให้ปล่อยวางแต่ทำยากเหลือเกินครับก็ต้องฝึกสติทำใจให้นิ่งแล้วใจก็จะปล่อยวางได้ถ้าไม่มีสติไม่ทำใจให้นิ่งนี่ก็ทาก็ปล่อยวางไม่ได้คุณพิมณ์ณพัฒครับ ที่ทํางานเราต้องพบเจอแต่คนที่ชอบนินทาชอบด่าชอบต่อว่าต้องเจอทุกๆวันทุกครั้งที่ก็โกรธและมีอาการไม่พอใจบ้างก็ภาวนาพุทธโธตามคําสอนพระอาจารย์แต่บางครั้งพุทธโธเอาไม่อยู่ครับลูกกําลังคิดจะออกจากงานย้ายงานเพื่อหนีคนเหล่านี้แบบนี้ลูกคิดถูกไหมครับไม่ถูกหรอกเราต้องรู้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนนั้นปัญหาอยู่ที่ความอยากของเราอยากจะเจอแต่คนดีๆพอเราไปเจอคนไม่ดีเราก็ทุกข์ใจ เราต้องปรับปรับใจของเราว่าเราอยู่ในโลกนี้มีทั้งคนดีคนไม่ดีปนกันไปตอนนี้เรามาเจอคนไม่ดีเราก็ต้องทับใจอย่าไปอยากให้อย่าอย่าไปอยากไม่เจอท่านั้นึองถ้าเราไปไม่มีความอยากไม่เจอแล้วเราก็จะไม่ทูกกับเขาต้องมาแก้ที่ตัวเราอย่าไปหนีหนีหนมาเดี๋ยวก็ไปเจอคนคนไม่ดีข้างหน้าแล้วจะทำอะไรก็ต้องหนีไปเรื่อย ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนไม่ดีปัญหาอยู่ที่ใจของเราที่อยากจะเจอแต่คนดีไม่อยากจะเจอคนไม่ดีดังนั้นต้องมาแก้ที่ใจของเราก็คือความอยากของเราบอกว่าคิดถึงลูกที่เสียเข้าไปปีที่สองแล้วครับต้องทําอย่างไรครับก็หยุดคิดสิอย่าไปคิดถึงเขาคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลาคิดก็ท่องพุโทโธไปสวดนมนต์ไปก็ได้เพื่อหยุดความคิดถึงเขา คุณปุ้ยครับทํางานออฟฟิศรักษาศี่ห้าเป็นปกติคิดว่าครบดีแต่เพิ่งรู้ข้อสี่บกพร่องไม่เคยตั้งใจแต่พองานยุ่งส่งแบบไม่ทัน ท, ทั้งที่บอกไปแล้วว่าจะส่งอย่างนี้ก็ผิดสีลกลายเป็นนักษารได้สี่ข้อใช่ไหมครับ ก, ก่อนที่เราจะพูดอะไรเราต้องคิดก่อนว่าเราทําได้หรือไม่ที่ด้เราทาไม่ได้เราก็ควรจะบอกว่าถ้าถ้าทําทันก็จะก็จะได้ถ้าทันทําไม่ทันหรือถ้าให้ว่างถ้า ถ้าติดอะไรอย่างอื่นก็ขอให้มีท่าไว้หน่อยวเวลาจะสัญญาอะไรกับใครผ่ายข้านะ้าถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยก็จะทําตามที่ตกลงไว้แต่ถ้าเามีท่าเนี่ยเราก็จะอ้างได้ว่ามันมีเหตุสุดวิสัยทําให้เราไม่สามารถทําได้อย่างนี้ก็ไม่ไม่ผิดศีลนะเวลาพูดต้องคิดให้ดีๆก่อนอย่างนี้ผมเวลานัดกับใครก็ท่าหมดเลยครับอาจารย์ <laughs> ต้องท่ า, ากันก่อนอืม ถ้าเกิดไม่มีหวัติเห็นไม่มีสิ่งที่มันสุริสยัยก็ได้เจอกันแน่อย่างทุกครั้งที่เราจากกันญาญโ ย, ยก็บอกถ้าไม่มีอะไรผิดปกติก็คงจะได้พบกันอีกใช่ได้นิสัยพระอาจารย์ไม่ใช่เลยครับ <laughs> <laughs> สวดมนต์ทุกวันเสียเวลาฟรีไหมครับเกิดบุญจริงไหมครับอ๋อการสวดมนต์นี่เป็นการฝึก ษ, ษติีเช่ว่าผลอาจจะยังไม่เกิดเพราะมันต้องมปการปลูกต้นไม้ ต้องใช้เวลาสวดไปเยอะๆสวด ไ, ไปบ่อยๆแล้วพอถึงเวลาผลมันก็จะเกิดขึ้นขึ้งจิตก็จะยิ่งสงบขึ้นมาคุณสราวุธครับถ้าอยากได้ดีต้องฝึกทวนกระแส ข, ของกิเลสพยายามละความชั่วสังสมทำแต่ความดีใช่ไหมครับถ้าทำตามพระเจ้าสอนนะคือให้ละการกระทำบาปลรวพยายามทำความดีต่างๆทำบุญทำกุศล ล้วก็พยายามชำระกิเลสความโลภของเราไมห่หมดไปจากใจคุณจั ก, กรีบอกว่าฟังธรรมะพระอาจารย์แล้วสบายใจทำให้ละอดีตอยู่กับปัจจุบันได้นะครับคุณกิติเทพทำยังไงให้มีสติครับคิดมากครับก็ฝึกต้องฝึกต้องฝึกตั้งแต่เรมต่างขึ้นนะมาวิธีง่ายงๆงก็ท่องพุทโธไปในขณะที่เราไปเตรียมตัว ถามน้ำางหน้ า, น า, น า, นาแบ่งความแตกเนื้อแตกตัวรับประทานหายก็พุโทโธพุทโธไปคอยสกัดความคิดถ้าเราทํำได้มากเท่าไหร่เราก็จะมีสติที่จะหยุดความคิดได้มากขึ้นคุณพ่อทุศีนพยายามดึงพ่อกลับมาสงสารพ่อครับจะทำอย่างไรดีครับก็นึ่งมาได้ก็นึ่งนึ่งไม่ได้ก็ต้องก็ต้องปล่อย ท, ทําเท่าที่เราจะทําทได้แล้วกัน คุเที่ยวไปเรื่อยครับเห็นคนกเกษียณอายุหลายๆคนชอบโพสต์รูปไปเที่ยวต่างๆาอวดกันในเฟซบุ o กเลยนึกถึงคำพูดพระอาจารย์ว่าคนเราลืมคิดถึงว่าจะต้องแก่ต้องตายกันจริงๆแล้วถ้าอายุมากแล้วเราควรจะต้องทําบุญกุศลให้มากๆใช่ไหมครับใช่ต้องทําตั้งแต่เรายังอายุน้อยเลยถ้าฝึกไว้แต่เราอายุน้อยเราก็จะทําได้ง่ายถ้ามาทําตอนแก่เนี่ยมันก็อาจจะทําได้ยากแล้วทำได้น้อยเพราะไม้แก่มันดันยาก ไม้แกะไม้อ่อนมันดัดงยายนิสัยพอมันมันไม่เคยทําบุญทําอะไรพอจะมาให้มันทําตอนแกน่มันจะรู้สึกทำยากคุณอัมพรครับพ่อชอบเก็บพลาสติกในะขยะไปขายลูกๆเตือนว่าอย่ากเก็บเดี๋ยวติดเชือ้อลูกๆ ก, ก็จะลูกๆ ก, ก็รู้เป็นความอยากคืออยากให้พ่อทําตามแต่ถ้าลูกๆมองเฉยๆไม่มองและไม่เตือนลูกบาปไหมครับไม่บาปหรอกก็ พ่อเ า, อาจจะไม่ติดเชื่ออย่างที่เราคิดก็ได้พ่อเขาก็เป็นคนที่มีความพยานเห็นว่าสิ่งใดที่มีประโยชน์สามารถทําให้เกิดรายได้ขึ้นมาก็ทําไปแล้วควรจะไปช่วยพ่อซะอไม่ใช่เบรกเกรช่วยควรควรไปห้ามพยายามจจะแนะนําว่าพ่อเพื่อความปลอดภัยเพ่อใส่ถึงมือหน่อยนะแล้วเราก็ไปช่วยท่านสิทำไมไม่ไปช่วยท่านเป็นการหาไรายได้เข้ามาในครอบครัว ไลโคพีนครับคนอื่นเขาฝึกชานให้เป็นว ส, สีกันอย่างไรครับเข้าแล้วออกแล้วเข้าแล้วออกแล้วเข้าใหม่อีกแบบนี้ไหมครับถ้าคล่องแล้วค่อยแช่อุเบกขาที่ชาญสีไหมครับวันนี้ไม่ทราบนะเราไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติทางด้านวั ส, สีทางเกษมเราไม่ตอบไม่ได้คุณเอกชัยครับเมื่อความสงบความเบามาถึงแล้วผมประคองไว้ที่หน้าผากแล้วลงว่าง เหมือนมีแค่ตัวเราอยู่ในโลกในจักรวาลแค่คนเดียวเป็นแค่หนึ่งนาทีแล้วถอนออกมาจากสมาธิเลยเมื่อออกมาจากสมาธิแล้วมีความสุขสบายใจทั้งวันผมจะฝึกอย่างไรให้อยู่ในความว่างนานๆครับแล้วที่ว่าทางปัญญานี้คือคำตอบที่สงสัยมันจะมีคำตอบมาเองแบบนี้กระผมยังอยู่ในทางที่ถูกต้องไหมครับคือถ้าอยากให้มันว่างนานๆก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนที่จะมา น, านั ดัง น, นั้นว่างงานและไม่งานอยู่ที่กําลังของสติที่เราได้ฝึกไว้ก่อนถ้าฝึกสติไว้มากเวลาว่างมันก็จะว่างได้นานส่วนเรื่องของปัญญานี้มันไม่มีคําตอบมันไม่มาเกิดขึ้นมาเองมันเป็นสิ่งที่เราต้องวิสิวิเคราะห์ศึกษาถึงจะได้คําตอบคุณจักริดครับหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงอดีต h, ปัจจุบันและอนาคตใช่หรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกให้เราอยู่กับปัจจุบัน อดีตมันผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงโดยหลังแล้วให้ให้จิตอยู่กับปัจจุบันเป็นเป็นส่วนใหญ่นอกจากว่าถ้ามีความจำเป็นคิดถึงเรื่องอดีตในอนาคตจะคิดได้โดยหลักแล้วไม่เวลาไม่คิดค้ายู่กับปัจจุบันลูกที่ทําให้พ่อแม่เสียใจเสียน้ําตาเป็นทุกข์เขาต้องแก้ ก, กรรมที่ทํากับพ่อแม่แบบไหนครับมันก็แล้วแต่ว่า ความเสียใจของพ่อแม่เป็นเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากกิเลส ข, ของพ่อแม่เองมันก็ไม่เกี่ยวกับลูกบางทีลูกอยากจะไปบวชลูกไปบวชแล้วพ่อแม่ก็เสียใจแล้งผมแล้วให้อันนี้ไม่ได้เป็นความผิดของลูกไป็นความผิดของพ่อแม่ที่ไปอยากให้ลูกมม่ไปบวชนี่มันก็ไม่เกี่ยวกับลูกถ้าถ้าไปทํำไปทุบตีพ่อแม่เนี่ยมันถึงเรืาบาปทำให้พ่อแม่เสียใจพ่อไปทุบตีไปทําร้ายร่างกายของพ่อแม่ อนนี้ก็เป็นบาปผมก็จะอาจจะต่อไปโดยเองเวลามีโรก็อาจจะโดนโรคทํา้ายเหมือนกันคงกลับคงเกวียนเขาบอกทํำอยะไรอย่างใดไว้กับใครก็จะทำอะไรอย่างนั้นกลับมากับรถที่ตัวเองคุณทำมาว่าดีครับเวลาสวดมนต์แล้วหาจะแก้ไขยังไงครับก็ไปนอนได้ก่อนเลดีที่สุดนอนตื่นขึ้นมาแล้วขึ้นมาสวดไป มีคำถามบอกว่าตายแล้วไปไหนครับอ๋อจิตก็อยู่ในโลกทิพย์จิตก็ตัดความสัมพันธ์กับร่างกายแล้วจิตก็อยู่ในโลกทิพย์เหมือนเดิมจิตไม่ได้ไปเคลื่อนย้ายไปไหนอีแต่ว่าจิตจะอยู่ในสภาพไหนแต่จิตที่ทําบุญก็ยังมีสภาพอยู่ในสภาพของความสุขจิตก็จะมีความสุขสภาพของจิตที่มีความสุขนั้ก็เรียกว่าสวรรค์ถ้าจิตมีบามากกระบุญบาปสมผลก็จะทําให้จิตมีความทุกข์ จิตก็จะอยู่ในอาบายแต่ไม่ได้อยู่ในาบายจิตเป็นเป็นทุขความความเป็นทุกข์ของจิตนี้เราเรียกว่าอาบายคุณพัฒนพีครับทําอย่างไรจะให้อาภัยคนข้างบ้านได้ครับก็อย่าไปโกรธเขาอย่าไปตอบโต้เขาเฉยๆไปหรือถ้าจะดีกันนี้ก็มีขนมมีข้าวมีของอะไรก็เอาไปให้เขาบ้างเป็นการผูกเมิตรสร้างมิตรภาพ คุณออนอานงครับไม่ทําบุญใส่บาตรแต่โอนเงินถวายพระได้บุญเท่ากันไหมครับได้เท่ากันได้เท่ากันการนั่งสมาธิจเจริญภาวนาจะทําให้เกิดบุญมากกว่าการให้ทานอื่นๆจริงไหมครับคือมันมันบุญกนลยชนิดกันนงแต่มันความยากง่ายต่างกันการให้ทานนี่มันง่ายแต่บุญมันน้อยกว่าการนั่งสมาธิ การนั่งสมาธินี้ได้บุญมากกว่าแต่มันยากกว่าอาจจะได้อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีหลายเดือนก็ได้คุณแอนซี่ครับการทําบุญด้วยสตางใส่บาททุกวันเป็นประจำแทนใส่อาหารจะสามารถเกิดผลบุญหรือไหมครับคุณได้เยเกิดผลบุญแต่คนรับเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ถูกเพราะไม่พบไม่ถูกตามกฎของพระไม่ไห พ่อแมนายนี่ไม่ให้รับเงินทองด้วยมือของตนเองให้ฝากไว้กับคนอื่นให้เขาเก็บรักษาไว้คนให้ได้บุินแต่คนรับนี่อาจจะทำไม่ถูกต้องดำหลักพระแม่นัยท่านนี้คุณแรดครับผมมีแฟนอยู่กับแฟนเราสองคนรักกันมากและไม่เคยนอกใจกันแต่เราไม่ได้แต่งงานกันอย่างนี้บาปไหมครับ ก็ถ้าเราพูดถึงคำว่าป ร, ประเพณีก็หมายถึงว่าต้องมีการประกาศให้คนเช่นบิดามารดาของทั้งสองครอบครัวรับรู้ว่าเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคู่รักกันเป็นสามีเป็นภรรยากันอันนี้แต่ถ้าทำแบบนี้ก็อาจจะถือว่ายังไม่ถกประเพณีก็ได้คุณแรดครับการที่เราใช้วันหยุดหนึ่งวันของเราเพื่อปฏิบัติทั้งวันหมายความว่าเราจะกินข้าวทําปริ ทำข้อวัดและเดินจงกรมนั่งสมาธิแค่นั้นใช่หรือไม่ครับไม่ทำผิดอื่นใดนอกจากนี้ครับใช่ทำเกีดยวกังเรื่องการปฏิบัติอย่างเดียว เ, เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วทากิจวัตรที่จาเป็นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอะไรกินอาหารไปแต่เราจะไม่ทํางานอย่างอื่นเป้าหมายของเราคือต้องการจะริกสติทั้งวันทั้งคืน มึงตอนการปฏิบัติมึงตอนนี้ต้องเจริญสติให้ได้ก่อนคุณพุทธพิชยาครับทำอย่างไรจึงจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ครับเมื่อวันหนึ่งคนเคยรักเคารพนับถือเรามาวันนี้เจอ เ, เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเจ้ารักเขาครับต้องคิดอยู่ยบ่อยๆมันต้ออย่างมีการเปลี่ยนแปลงมีการสิ้นสุดมีเอิดแล้วก็นำไปดับไปต้องคิดบ่อยๆคิดทุกวันทุกวันทุกเวลา คิดได้มากเท่าไหร่มันก็จิตมันก็จะซึมซาบได้มากขึ้นไปเรื่อยๆคุณอารามศรีครับนั่งสมาธิเห็นลมหายใจตลอดเวลาแต่ก็มีความคิดพร้อมกันแบบนี้มีสติไหมครับทั้งที่เห็นลมหายใจชัดเจนครั บ, รรบร ก, ก็ยังเป็นขั้นต้นอยู่ขั้นต่อไปต้องไม่ไปสนใจกับความคิดให้สนใจอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียว ความคิจะคิดก็อย่าไปคิดถึงเหมือนเ่าอยู่กับลมาหายใจเรื่อยๆต่อไปความคิดก็จะหายไปคุณสรุตครับทุกๆวันเดินจงกรมทําอานาปานะสติระหว่างวันเวลาเดินหรือขยับตัวจะมีสติรู้กายแต่ตอนนั่งทํางานหรือเล่นมือถือจะไม่มีสติรู้กายรู้ทันความคิดเลยขอคําแนะนําครับก็อย่าไปเล่นมันเลยครับ นั่งสมาธิจะดีกว่าจากดรทินกรครับน้องกัปปะาจารย์ที่เคารพการเกิดขึ้นของโลกนี้และเกิดขึ้นของคนและสิ่งมีชีวิตต่างๆมาจากเหตุใดครับขอความเมตตาครับก็มันก็มาจากการเคลื่อนไหวของธาตุทั้งหกไงธาตุดินน้ำลมไฟกับธาตุรู้กับอวกาศทานที่มันมีการเคลื่อนไหวมีการเป็น ในการไปพบกันรวมกันความมารวมกันธาตุสี่มันก็ปรากฏเป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์เดรัชฉานแล้วมีทาตุรู้มาม า, มาเชื่อมต่อกับธาตุสี่ดินน้ําลมไฟก็เลยเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัชฉานขึ้นมาแต่การร ว, วมตัว้ก็เป็นการรวมตัวแบบชั่วคราวเดียวสับญาตหนึ่งก็แยกตัวกันอีกท่านดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ถ้ารู้มันก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางตอนเดียวมันก็กลับมารมมกันอีกนี่มันก็มันก็มีการเกิดดาบเกิเดดบบของสิ่งต่างๆในโลกนี้คุณเพนคอมเมนต์มาบอกว่าตอนแรกยอมรับว่าเครียดตั้งใจถามเยอะแยะพอดีมีคนถามแทนหายเครียดแล้วนะครับอาจารย์ทก <c oughs> ่า ด, ด, ดีใจด้วยหายเครียดได้ก็คุณคิมครับ ตอนนี้เป็นซึมเศร้าและรับยาพยายามนั่งสมาธิแต่ไม่สงบเลยครับต้องใจเรียน็ยนๆการนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งปุ๊บจะได้ปังแล้วก็ต้องนั่งด้วยด้วยด้วยดวยสติถ้าเรายังไม่มีสติเราต้องฝึกสติให้มากๆก่อนถ้าไม่มีสตินั่งไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะสงบได้เห็นพยายามฝึกสติให้มากอย่างที่พูดพยายามฝึกสติทั้งวันให้ได้แเวลานั่งสมาธิจิตจะสงบได้ง่าย ถ้าพ่อแม่ทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราเป็นลูกแล้วต่อว่าพ่อแม่เราบาปไหมครับไม่ควรคนะรับ เ, เป็นการเราไม่มีหน้าที่ที่จะแบบต่อว่าพ่อแม่พ่อแม่เป็นมีพระคุณกับเรามากเราต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของท่านไปคุณมิลากลัสครับมีลูกเขาชอบเถียงค่ะดือ้อบอกสอนเขาก็ไม่เชื่อฟังลูกคุณจะวางใจอย่างไรครับ ก็มองว่าเราโชคไม่ดีนี่ได้มารจอลูกนื้ก็ต้องทาใจคุณเจนนิวครับถ้าเราดูแลแม่ทุกอย่างจนเราเหนื่อยสายตัวแทบขาดไม่ไหวแล้วมีอารมณ์โมโหเครียดมากจนทะเลาะ ก, กับคุณแม่ด่าว่าท่านในใจอย่างนี้ระบาดมากไหมครับก็เป็นความคิดที่ไม่ดีถ้าพูดออกมาทางวาจา ก, ก็บาปน่าพ่อด่าแม่เนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ ไม่มีความขอรบมอ้่าไปยามอยากไปต้องคอยคอยบังคับคอยเตือนตัวเองว่าห้ามด่าห้ามตำหนิพ่อแม่ปล่อท่านจะเป็นยังไงก็ไปของท่านไปเวลาเราเกิดอารมณ์ไม่ไดีเราคอยยามใช้สติคอยคอยระงับมันพูโทโธพุโทโธไปสวนบนไป คุณสลาวุธครับสวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นบางทีก็นั่งสมาธิต่อห้านาทีทําเป็นประจําแบบนี้จะได้บุญไหมและจะทําให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ไหมครับอ๋อยากไม่ได้หรอกถ้าแ้านาทีมันกินข้าวคําเดียวจะให้ยยมันอิ่มนะมันไม่ได้หรอกต้องกินข้าวเป็นจานถึงจะอิ่ม น, นั่งสมาธิก็ตองนั่ ง, ง, ง, งทั้งวันทั้งคืนครับนั่งให้บ่อยนั่งให้มาก คุณภูมิพัฒนครับหลังจากคําบริกรรมหายเราต้องเริ่มบริกรรมใหม่ไหมครับใช่ถ้าเราใช้คําบริกรรมพุทโธก็ต้องพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะรวมนิ่งสงบแล้วนิ่งม่มีครับคิดอะไรลงเนื้ออยู่ก็หยุดคําบริกรรมได้คุณเที่ยวไปเรื่อย บ, บอกว่าเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงสรนเสริญพระที่ให้ธรรมทานมากกว่าให้อย่างอื่นเช่นการสร้างใจดีหรือวัตถุมงคลครับ อมอันนี้เข้าใจผิดนะคำว่าธรรมทานนี่หมายถึงญาติโยมที่ถวายของให้กับพระเนี่ยการถวายของให้กับพระนี่ถวายได้สองลักษณะถวายฉเฉพาะบุคคลเช่นไปถวายให้เจ้าอาวาสทำบุญกับเจ้าอาวาสเพียคนเดียวของที่ห้งนี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสมบัติของเจ้าอาวาสเรียกว่าบุคคลิกทานแต่ถ้าเราไปทำบุญกับเจ้าอาวาสต่บอกว่าขอถวายให้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทรัพย์ของของวัด ของส่วนรวมของพระทุกลูกให้อ้ามาแบ่งใช้กับพระทุกลูกได้อันนี้ถึงเรียกว่าเป็นธรรมทานเพราะเจ้าบอกการสนรับสนุนองค์กรนี่ได้บุญมากกว่าการสนรับสนุนบุคคลเข้าใจไหมเพราะองค์กรนี่จะอยู่ไปต่อไปเรื่อยๆแต่บุคคลที่อยู่ไปเรื่อยๆพระก็จะต้องตายไปดึงสอนให้เราทําบุญเพื่อสนับทําบุญให้กับองค์กรทําบุญให้กับสง เป็นสังฆทานใช่ไหมครับอ่าเป็นสังฆทานอันนี้ท่เราพููถึงเรื่องธรรมทานขออภยัยเนี่ยขอกลับไปย้อนคือการให้ธรรมทานนี่ก็คือการให้ธรรมการให้ธรม ร, ธรมะนี่มีคนประโยชน์ยิ่งกว่าการไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัตถุของคนต่างๆขอภขอภัยเข้าใจผิดคุณอุไรรัตครับเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัวเบาปโปรง่งคืออาการอะไรครับ การขการของสงความสงบเริ่มเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่เต็มที่ทําต่อไปถ้าเราเห็นยุงกินเลือดแต่เราไม่ตบแล้วเราปล่อยให้ยุงกินเลือดจนอิ่มเราได้บุญไหมครับได้เรา่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ทำบาปจางเราก็ได้บริจากเลือดไปให้กับเขาไปคุณนิตาครับโยมปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อเนื่องแล้วนอนไม่หลับ กายหลับแต่จิตไม่หลับต้องทําอย่างไรครับก็ปฏิบัติต่อไปเถอะคนบางคนอยากจะปฏิบัติทั้งมันทั้งคืนนอย่างถ้าเราเราไม่หลับก็ถือว่าดีถ้าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปเดี๋ยวมันง่วงง่วงเองครับมันต้องพักก่อนเมื่อถึงเวลาเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาก็ปฏิบตัติต่อไปเดินยกลมนั่งสมาธิต่อไป คุณสัมพันธ์ครับผมมีความคิดอยากจะบวชเพราะว่าเห็นการเกิดแก่เจ็บตายแต่ยังกังวลเรื่องพ่อแม่ที่แก่ชราและลูกกระผมยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้และแม่ของเขาได้กระผมควรทำใจอย่างไรครับก็ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนนะค่อยไปบวชคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับกินเหล้าแต่มีสติอยู่ผิดไหมครับบอกว่าทานนิดหน่อยครับกินเหล้านี้มันก็ไม่ผิดแม่ไม่ไไม่เป็นบา มันแพงแต่ว่ามันจะสามารถทําให้ควบคุมการกระทําของเราไม่ไม่ดีไม่ได้ดีเท่าที่ควรถ้าเรายังสามารถควบคุมการกระทําได้อยู่มันก็ไม่บาปถ้าเรายังไม่ไปพูดปดไม่ไปไปพูดผิดประเพณีไม่ไปลักทัพท์ของพูดไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ยังไม่บาปขอาการกับพระทาจันท์ครับวันนี้มีคนเพื่อนๆ อ, อยู่ในเฟซหนึ่งพันห้าสิบสามคนนะครับ ในยูเจ็ด้ยสิบหกในคลับเฮาส์แปดและในทิตอกห้า้อยสิบสี่คนนะครับรวมเพื่อนฟังทมในวันนี้สองพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดคนครับอาจารย์ครับก็มากพอสมควรนะก็ดีควังว่าของได้ช่วยมาท้าวความเครียให้กับท่านเนี่มาฟังได้ถ้าอยากจะฟังเยอะๆก็ลองไปไปดูที่เว็บที่เขาไปโพสต์ไว้อย่างไงตดลับใช่นะมชื่อตดลับใช่ครับอาจารย์ครับนั่นมีคนมาดูต้องสี่ล้านกว่านะ จิต6ล้นะานอิธีการความเครียดแต่เราไม่ได้ไม่ได้เป็นเสียงพูดของเราเองมันเป็นเสียงที่เขาเอามาอ่านจากหนังสืออีกทีหนึ่งก็มังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยตลอดคืนนี้มังว่าคงจะนำเอาไปใช้ในการดับความเพรีต่างๆที่มีอยู่ให้มันเบาบางลงแล้ะหมดไปได้การสนทนาทำตลอดคืนนี้นึกคิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาที่จะต้องลาท่านไปลาคุณหมอไปถ้าไม่มีเหตุกัดเข้องกันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในเวลาเดิมในอาทิตย์หน้าขอเจริญพรกับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ